ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเจาะลึกฝึกธรรมวันนี้เสนอตอนทิศทิ่สิบโดยพ่อท่านสมณภูธิรักจากพุทธสถานสันติอโศกออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษเพื่อแผ่นดินเอ t v อทีวีได้แสดงไว้ประจำวันที่9ก้าพฤษภาคม2550 ขอเชิญท่านติตารับฟังได้เน้บัตรนี้เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เราก็มาเรียนอาตมาใช้คำว่าเรียนเลยแล้วเราก็ตั้งใจที่จะเป็นลักษณะของการเรียนอยู่ในชั้นเลยทีเดียวการ เ, าเรียนครั้งนี้ จริงๆแล้วการเรียนนั่นน่ะมันไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในชั้นก็เรียนอยู่ที่ไหนไหนก็เรียนเพราะอาตมานั้นเคยพูดเคยบอกไว้แล้วว่าคนเราเกิดมานั้นเกิดมาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนเพื่อเรียนแท้ๆนคนเรานี่ามีชีวิตแล้วเราไม่รู้ว่าเราเองเรามีชีวิตขึ้นมาเพื่ออะไร เราก็จะได้มีแต่ชีวิตไปเที่ยดก่ อ, อ ก, กรรมทำเข็นอะไรก็ไม่รู้ตามอำนาจของกิเลสมันพาไปหรือหมู่พาไปไปตามเรื่องแต่ถ้ารู้ว่าชีวิตนั้นเราจะต้องสังวรเราจะต้องระวงังเราจะต้องศึกษาเราจะต้องเรียนชีวิตก็จะมีค่าขึ้นมา ท, าทันทีความแตกต่างแค่นี้ ในความสำนึกของมนุษย์เนี่ยมนุษย์คนใดก็ตามถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรโดยเฉพาะไม่เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อการศึกษาเขาก็จะไม่ศึกษาเขาก็จะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมปลไปตามอารมณ์ไปไปตามความอยากหรือกิเลสตนหาหรือสังคมก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีมิตราหายใครก็ตาม พาไปพาเป็นพาไปพาไปไปตามโลกมันจะนำพาไปมันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายมีชีวิตที่ไม่ได้พัฒนาอาจจะมีสานึกดีบ้างสานึกที่ว่าเออเราก็น่าจะทำดีน่าจะปฏิบัติสิ่งที่ดีแต่จะไม่ถึงขั้นว่าเขาจะต้องศึกษาพัฒนาการศึกษาคืออะไรการศึกษาคือการเสริมความเจริญ ฟังให้ดีนะการศึกษานี่คือการฝึกฝนศึกษาคือการเรียนรู้และฝึกฝนความเจริญให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเผือว่าผู้ใดเข้าใจและก็ชัดเจนว่าชีวิตนั้นเกิดมาเพื่อศึกษาเขาก็จะพยายามหาจุดเจริญวิธีที่จะเจริญทำให้เจริญได้อย่างไรในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ อาตมาแน่ใจชัดเจนเลยว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านตราไว้ชัดเลยว่าคนเราเนี่จะต้องมีการศึกษามีการประพุทธที่มีหลักมีเกณฑ์มีทฤษฎีทฤษฎีถึงขั้นจะเรียนรู้ทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทหลักใหญ่ของาศาสนาพูทธคือไตรศิกขาสิกขาก็คือการศึกษา เพราะฉะนั้นผู้ใดไม่มีไตรสิกขาเลยในชีวิตไม่ได้คำนึงเลยเมื่อนึกถึงเลยไปเรียนไปทางโลกทางโลกนั่นแหละคืออำนาจโลกพาไปก็าพาไปก็ไปเรียนหลงเรียนตามโลกจริงๆแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาชีวิตแต่ไปศึกษาสิ่งที่จะเอามาเสริมให้ชีวิตนั้นเต็มไปได้วยลาบยศสันเสรโลกีสุ่อย่างโลกีเท่านั้นไม่ได้ศึกษาชีวิต ศึกษาแต่ทิศทางของชีวิตทำอย่างไรจะรวยราบรื่ราบย่าสันเโลกียสุขไม่ได้เรียนรู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตที่ศึกษานะั้นศึกษาแล้วจะได้อะไรควรได้อะไระไม่ได้ศึกษาเช่นนั้นเพรา ะ, ะชีวิตก็จึงลงระเริงไปกับโลกีแล้วก็ไม่ได้รู้จักโดยเฉพาะไม่ได้เรียนธรรมะที่แท้จริงก็มีสามัญสำนึกเท่านั้นเองในชีวิต เมื่อได้ลาบได้ยศได้ความรู้ได้ปริญญาได้อำนาจได้อะไรขึ้นมาแก่ตัวเองก็เอาอันนั้นเป็นวัตถุปกรณ์เป็นอาวุธอาตมาขอใช้คาว่าเป็นอาวุธเลยเป็นอาวุธเอาไปประหัตประหารคนอื่นเอาไปใช้เอาเปรียบคนอื่นไปฟาดฟันคนอื่นไปทำให้ตนเอง ก้าวนาเจริญหรือว่าพ่อพูนเพิ่มไปด้วยลาบยศสันเสริญโลกยุขอัตมาพูดนี่อัตมามั่นใจว่าไม่ผิดหรอกแน่นอนอาจจะมีในคนในสังคมคนในโลกนั้นเขาอาจจะมียกเว้นบางคนที่เขาไม่ได้มีความตั้งใจแล้วก็มีสำนึกนั่นเป็นบา ร, รมีของเขา เป็นบารมีของเขาที่เขามีภูมิธรรมเขามีความรู้มีธรรมะของเขาในตนเองอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่อาตมาว่า 90% ซ์ขึ้นไปเขาจะต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ที่มีชื่อว่าปุถุชนนะเพราะงั้นการที่ได้ศึกษาและรู้ว่าเป้าของการศึกษาคืออะไรอย่างที่อาตมากล่าวแล้ว ก็จะเป็นคนที่ได้รับความเจริญที่แท้จริงทีนี้อาตอมาทํารายการนี้หรือว่าทำํำการศึกษาทําการสอนในในในคาบนี้อย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนเราเรียกว่าการศึกษากระดานดําจริงตั้งแต่ใช้กระดานขาวนะไม่ได้กระดานดําเลยเพราะว่าสมัยนี้มันใช้กระดานขาวอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็เขียนกระดานขาวแล้วก็เขียนไม่จะเขียนด้วยช็อกด้วย เขียนให้มึกสมัยใหม่ก็ไม่เป็นไรนะก็เข้าใจโดยปริยาโดยโดยโด ย, โดยละไว้ที่ในขคานที่เข้าใจกันแล้วกันก็คือเรียนเหมือนอยู่ในห้องเรียนตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งยุคนี้สมัยนี้นะเขาก็ใช้กระดานขาวนี่เหมือนกันหรือใช้ powerpoint เนี่ยนะใช้อะไรแต่ก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสรุปแล้วก็คือการมาฟังเลคเชอร์ มาฟังการบรรยายที่นั่งฟังฟังฟังฟั ง, ฟงมีมานั่งฟังกันอย่างนี้แหละอ่าเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณนะเยอะแยะอ่าหลายสิบคนอ่าบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นร้อยก็ตามแล้วก็บรรยายอธิบายได้ฟังมีเขียนตัวหนังสือคํานั้นคนํานี้อย่างนั้นอย่างนี้โยงใย่อะไรอะไรไปเหมือนวิธีการการสอนในห้องเรียน แต่ก็เป็นการเรียนที่เพิ่มเติมอาตมาก็เอาวิธีการอย่างที่เคยเรียนมานั่นแหละอาตมาก็เคยเรียนมาในห้องเรียนแบบนี้ก็เอามาใช้ประกอบก็เป็นติดๆอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เรียนอย่างนี้เป็นหลักโดยซ้ําไปเราเรียนทั้งชีวิตตั้งแต่เช้าจนเย็นจนถึงการนอนก็ให้เรียนให้ฝึกอะไรไปบ้างด้วยโดยซ้ําไปนะเรียนเพื่อที่จะได้เกิดความรอบรู้ในอะไระอะไรต่างๆนาน า, นาแบบพระพุทธเจ้าสอน มีการรู้ทั้งในเนรื่องของหลักการหลักเกณฑ์วว <N> um> าากกของโลกนี่และว่าศีลที่ควรจะเป็นหลักการหลักเกณฑ์ของโลกนี่ศีลที่ควรจะศีลนี่แหละคือหลักการหลักเกณฑ์ของโลกที่ควรจะเป็นควรจะเจริญแล้วก็จิตมีทั้งการศึกษา <N> um> ทั้งให้รู้ไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพานรู้ไปถึงปรมัาทคําว่าจิตเจตสิกรูปนิพานนี่ก็คือปรามาถะ ในภาษาของาศาสนาพูดเยว่าปรัมา ธ, ธรรมคือธรรมะที่จะมียานอย่างรู้จิตแยกวิจวิเคราะห์ออก่าจิตอย่างนี้เจตสิกอย่างนี้รูปอย่างนี้นิพพานอย่างนี้เข้าใจว่านิพพานมันเป็นลักษณะอย่างไรเลยมีความรู้ไปถึงขั้นว่าเอออาการทางจิตที่เรียกว่าถึงขั้นนิพพานคืออย่างไรรูปคืออย่างไรตั้งแต่รูปหยาบตั้งแต่มหาปูตรูปปาทายรูปอะไรก็รู้รรละเอียดละอออกไป แยกเป็นเจตสิกอย่างไรลักษณะอาการอย่างไรในรายะละเอียดพวกนี้ก็จะรู้แบ่งไปเอยจิตกุศละจิตกุศลลจิตเป็นอย่างไรเจตสิกรายละเอียดต่างๆทั้งเป็นกุศลและอกุศลด้วยแยกละเอียดไปเป็นอย่างไรก็รู้ได้นะเพราะารายการนี้ก็อาจจะหนักบ้างเพราะว่าเป็นรายการที่มาตั้งชื่อในตอนนี้ว่าเจาะลึกฝึกทำ เนะจาะลึกฝึกทำเป็นการเจาะลึกจริงๆนะเพราะงานท่านผู้ที่ติดตามมาฟังรายการนี้แล้วตอนนี้เรามีโทรทัศน์เราก็เลยเอาโทรทัศน์ถ่ายทอดไปด้วยเพื่อผู้ที่ท่านมีบารมีหรือว่ามีภูมิธรรมที่ท่านจะศึกษาหรือว่าท่านจะฟังมีอะไรผิดอะไรถูกท่านก็จะได้ ดูด้วยนะอะไรผิดก็ทวงมาอะไรไม่เห็นด้วยอะไรขัดข้องหรืออะไรขาดหตกหล่นนะก็เป็นพระคุณถ้าเพอว่าจะช่วยส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์นั้นก็ขออนุโมทนานะส่วนผู้ที่จะฟังแล้วเกิดโทษอาตมาก็ขออาภาัยอีกนะถ้าเผื่อว่าอาตมาทำไปแล้วบรรยายไปแล้วทำงานนี้ไปแล้วก็เกิดโทษเกิดภัยอะไรด้วยประการใดๆที่อาตมาไม่มีเจตนาจะให้เกิด แต่ถ้ามันจะเกิดธรรมนก็ต้องขออภัยลวงหน้าไปก่อนนะวันนี้ก็ตั้งใจจะอธิบายต่อสอนต่อกับพวกเราเพราะฉะนั้นกรพวกงออกโทรทัศน์ไปก็ให้ผู้ที่ท่านไม่เคยได้พบหรือไม่เคยได้เห็นอย่างนี้ได้เห็นบางที่จริงก็มีเอาที่เคยอัดเอาไว้นะเคยสอนอย่างนี้ละแล้วก็เคยอัดเอาไว้แล้วก็กเอาไปออกโทรทัศน์นี้ มาบ้างแล้วที่จริงที่ออกมาแล้วนั้นก็คือโทรทัศน์ที่เราได้ทดลองทดลองมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะถึงวันนี้เราใช้คำว่าทดลองมาจนถึงวันนี้และอาตมาก็ถือว่าวันนี้ตกลงกันกับพวกเราทั้งคณะว่าวันนี้เป็นวันที่จะถือว่าเป็นวันเปิดสถานีโทรทัศน์เพื่อแผ่นดิน ซึ่งเมื่อเช้านี้สี่โมงเช้าเก้าโมงไม่ใช่สี่เก้าไม่ใช่สี่เก้านาฬิกาเมื่อเช้านี้เราก็ได้ออกไปแล้วโดยอาตมา ก, กับท่านจันท์หรือท่านเพาะพุทธจันเทเสถโธ <c oughs> ได้ออกไปแล้วแล้วก็ บ, บรรยายไปแล้วว่าเป็นการเปิดตัวจริงๆถือว่าเป็นกิจลักษณะของโทรทัศน์ช่องเพื่อแผ่นดินนี้นะออกไป เพราะนั้นตอนนี้เราก็ทํากันให้ระมัดระวังทำให้อย่างให้เป็นกิจลักษณะดีๆออกไปเอาละอาตมาจะเริ่มอธิบายต่อหรืออธิบายในสิ่งที่ได้ทำการอธิบายต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วนในคราวที่แล้วอาตมาได้ย้้เน้ น, นไปที่กระดานหน่อยหนึ่ง อาตมาได้ย้ำได้เน้นอาตมาจะลุกไปที่กระดานก็ไมโครโฟนมันอยู่ตรงนี้นะก็ไม่ได้มีไวเลสก็เลยเอาเอ า, เอาตรงนี้ก็แล้วกันคราวที่แล้วได้เน้นได้ย้ำในเรื่องของทิฏฐิ10ซึ่งเป็นทิฏฐิรายละเอียดของทิฏฐิในข้อทิฏฐิในมรรคองแปดมรรคองค์8พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทิฏฐิทั้ง10บเนี่ย เป็นหลักเป็นหลักของทิฏฐิทั้งสิบนี่เป็นหลักของทิฏฐิที่เป็นมรรคองแปดขยายออกเป็นสิบข้อเนี่ยผู้ใดไม่รู้จักไม่เข้าใจเข้าใจผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักเลยมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่เบื้อ ง, งต้นแล้วรู้จักแต่เข้าใจผิดหรือแม้เข้าใจไม่ได้ มันก็ยังถือว่ามิจฉาทิฏฐิอยู่ต้องเข้าใจและก็เข้าใจถูกต้องว่าทินนังที่แปลว่าได้ให้แล้วคืออย่างไรยิดถังคือยัญญปิธีคืออย่างไรทินนังคืออย่างไรยิดถังคืออย่างไรหุตังคือการเส้นบงสรวงแล้วอย่างคืออย่างไรผลกรรมนะสุกตะทุกตะนัง กรรมานังก็คือกรรมพลังวิปากโกพลกรรมคืออย่างไรโลกนี้คืออย่างไรโลกหน้าคือยคอย่างไรแม่คืออย่างไรแม่ซึ่งฟังภาษาง่ายๆทำไมพระเจ้าต้องเอามาสอนว่าแม่คืออย่างไรมันไม่น่าจะสอนได้ยากอะไรแต่ยากแน่แม่คือย อ, คอย่างไรพ่อคืออย่างไรนะพ่อ คืออย่างไรโอปปาติกะสัตวที่จริงคำเต็มว่าสัตตาโอปปาติกาสัตโอปปาติกะคืออย่างไรสุดท้ายข้อที่ส0บผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าได้ด้วยตนเองนะ เรียกว่าปรันจอโรอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาแล้วก็ประกาศให้คนอื่นรู้ตามได้อย่างแจ้งแจ่มแจ้ ง, จงสัจิกตวาปเวเทนตีติข้อที่สิมันคืออย่างไรกันแท้ถ้าทั้งสิบข้อสิข้อนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้มีความรู้อย่างชัดเจนถูก ต้องฟังให้ดีนะคับเข้าใจเข้าใจดีเข้าใจชัดเจนถูกต้องคนนั้นก็ยังไม่สมาธิทียังไม่รู้เลยแล้วมันจะสมาธิทีได้ไงไ ด, ได้ฟังได้ฟังเหมือนกันได้เรียนเหมือนกันแต่เข้าใจยังไม่ถูกต้องหรือแม้แต่ยังไม่เข้าใจมันก็ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่่นเอง้งใช่ไหม นักเรียนอ๋อนักเรียนเต็มห้องมีทั้งอายุน้อยอายุมากวันนี้นะมันก็ปฏิบัติไม่ได้นี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าที่มันมันอะไรแหะมันร่วงมันหล่นมันไม่ครบมันไม่เต็มมันไม่เป็นหลักวิชาที่สมบูรณ์ปฏิบัติมั่งองค์แปดปฏิบัติแล้วก็สมาธิอะไรก็พูดก็เจ้ายอยๆไปแต่ไม่ครบเลยทิ้งไปซะเยอะ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ครบก็ไปสอนกันไปปฏิบัติกันไปเรียนรู้กันแต่ปริปริผิวผิวเพลินเพลินมันไม่เข้าหลักเข้าทฤษฎีของพระเจ้าเลยธรรมะของเจ้าเป็นธรรมะที่คัมภีราทุตทศาธรุโพโธตาสันตาปณีตาอัตกาวจรานิปุณนาอัตบรรดิตะเวทนิยาฉัาตัดไปเลยว่าธรรมะของท่าน มีความลึกซึ้งคำภีราท่านยืนยันเลยพระพุทธเจ้าท่านตัประธรรมมาของท่านไม่ใช่เรื่องตื้นต้นเป็นเรื่องคำภีราลึกซึ้งทุตทศาไม่ได้เห็นได้ไ ง, ง่ายๆธรนุโพธาไม่ได้รู้ได้ไ ง, ง่ายๆรู้อย่างโพธะโพธินี่ยมัใช่การรู้โลกโลภสามัญ น, นะจะเข้าถึงการรู้เป็นโพธะโพธิ รู้อย่างตรัสรู้โพธิที่นี่เป็นอะไรว่าความตรัสรู้เป็นความรู้ขั้นตรัสรู้ไม่ใช่ญาณสามัญเลยไม่ใช่ปัญญาสามัญไม่ใช่ความฉลาดเฉลียวหรือความรู้สามัญเป็นความรู้ในระดับอีกระดับหนึ่งระดับวิสามระดับสูงระดับธรรมะขั้นสำคัญของพระพุทธเจ้านะธรนุโพธาไม่ใช่รู้ได้ไง่ายๆแม้แต่สันตา ความสงบก็เป็นความสงบที่ไม่ใช่สงบอย่างฤาษีเขาสอนกันปณีตาปณีปณีจริงๆละเ อ, อียดละอซับซ้อนมากมายจริงๆสันตาปณีตาอัตกาว จ, จราเดาเอาไม่ได้อัตกาว จ, จราเนี่ยขอแปลตรงๆเลยว่าเดาเอาไม่ได้เขาจะแปลเป็นจำนวนเพราะเพราะอะไรจ้ะไรว่า ไม่อะไรไม่ใช่วิสัยของการคาดคะเนอะไรก็ตามใจเะเดาเอาไม่ได้พูดภาษาง่ายๆจะเดาเอาไม่ได้จะคาดคะเนเอาไม่ได้จะเป็นโมเมลไม่ได้ไม่ใช่เหตุผลทางตรร ก, กะจะบวกลบคูณหารเอาดนหลักเกณฑ์หลักการอะไรจะเฉยไม่ได้จะต้องเรียนเข้าไปสัมผัสรู้สัมผัสเห็นสัมผัสแจ้งของจริงเลยนิพนธถึงนิพพานลึกซึ้งละเอียดยิบนาลึกซึ้งสูงส่ง ลึกซึ้งคาพิรันนี่แหละละเอียดประนีตมีลักษณะที่พิเศษเลยว่าทั้งละเอียดทั้งประนีตทั้งสูงสง่งขั้นนิพุนาขั้นนิพพานเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะที่จะรู้แจ้งได้ด้วยบัณฑิตจริงบัณฑิตเวทนิยาจะรู้แจ้งรู้จริงได้คนที่รู้นั้นคือบัณฑิตแท้ๆไม่ใช่บัณฑิตไปเรียนจบมหาวิทยาลัยมาก็ได้ใบสองใบห้าใบาปริญญาตรีโทเอกไม่ใช่ เป็นบัณฑิตแท้ๆบัณฑิตจริงๆนี่คือคํายืนยันของพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นในประเด็นที่อาตมาทบทวนแล้วอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ที่อาตมาก็สอนย้ำๆต้องก็ต้องสอนอย่างนี้แหละย้ำความรู้หลักๆของพระพุทธเจ้านี่ไปสอนมาตลอดกาลนานไม่รู้กี่ชาติแล้วชาตินี้ก็สอนไปชาติหน้าก็ยังจะเกิดมาสอนในนี้อยู่อีกเพราะอาตมายังไม่หยุดที่จะบำเพ็ญพุทธภูมิต่อ มันก็พาดไปอีกเรื่อยๆนะนะเพราะนั้นก็ขอให้ผู้ฟังเนี่ยขอให้ผู้ฟังพิจารณาตามนิดๆเธอแล้วว่าทิฏฐิหรือข้อสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งที่เป็นประธานเป็นประธานข้ออื่นๆในอีก7ข้อนะมรรคองค์8มี8ดข้อส ม, มาธิฐินี่เป็นประธานทรานพุทธเจ้าตรัสไป้ชัดในมหาจัตตาริสกสูตร ในพระธรปิฎกเล่มสิอาตมาจําได้แม่นเล่มสิข้อ252ร้อหงจนสหลายข้อมากเลยสูตรนี้เป็นสูตรหลักสําคัญเลยในพระธรรปิฎกของเทราวาทนี่แหละท่านต ร, รตัสไป้ชัดว่าสัมมาทิฏฐิเป็นปร ะ, าประาปารธนระานแล้วก็ปฏิบัติไปอีกสัมมาทิฏฐิเป็นประธานแล้วก็ปฏิบัติไปอีกรวมเจข้อของมรรค รวมเจ็ข้อของมัคสมมาธิฏิเป็นประธานแล้วจะมีสมาวายา ม, มา ก, กับสมาสติห้อมล้อมหรือช่วยเป็นเป็นอัศวินเป็นผู้ที่ร่วมร่วมกระทำงานอยู่กับสมาธิฏฐิคือความพยายามเพราะฉะนั้นท่านึกแต่เรียว่าความพยายามใดที่ทำตามสมาธิฐิสติใดที่ทำตามสมาธิฐิสตินั้นก็เป็นสมาสติ วายามะนั่นก็ไปสมาวายามะเพราะสัมมาทิฏฐิมันเข้าใจถูกต้องแล้วเข้าใจแม้แต่คำว่าสติคืออะไรพยายามคืออะไรพยายามก็มีเงื่อนไขว่าไม่ใช่พยายามไปปล้นไม่พยายามไปเรียนหนังสือเอาปริยาตีโทเอกในมหาวิทยาลัยมันพยายามปฏิบัติรมฟังให้ดีนะจะชัดมันพยายามที่จะมีสัมมาทิฏฐิให้สัมมาทิฏฐินีจเจริญเมื่อเป็นประธานแล้วก็ปฏิบัติให้จเจริญ จะเริญนด้วยภาคปฏิบัติคือสังกปัปปวาจากรรมตตะอาชีวะอีกสี่ข้อสมมาสังกัปปะให้เป็นสมมาให้ได้เป็นสมมาสังกัปปะให้เป็นสมมาวาจาให้เป็นสมมารกรรมตตะให้เป็นสมมาอาชีวะในขณะที่มีทั้งในขณะสังกัปปะคือในขณะดับรินึกคิดในขณะที่พูดวาจากในขณะที่การกระทำต่างๆเรียกวกรรมตะ ในขณะที่ประกอบอาชีพการงานเรียกว่าอาชีวะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมของพระเจ้ามรรคองคแปดนี้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาท่านตรัสไว้ชัดมหาจตารีสกสูนี้ว่าสัมมาส ม, มาธิข้อที่แปดสัมมาส ม, มาธินั้นนะเกิดจากการปฏิบัติเจ็ดองนี้นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังจะงง พระอาการนั่งสมาธินั้นน่ะนั่งหลับตาสมาธทิที่ทำกันอยู่ทั่วไปนั้นไม่ใช่หลักเอกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางเอกของพระพุทธเจ้าฟังใหม่นั่งหลับตาสมาธินั้นไม่ใช่ทางเอกของพระพุทธเจ้าท่านที่อยู่ในป่าทั้งหลายท่านฤาษีทั้งหลายท่านที่หลงอันนี้ว่าเป็นเอกทั้งหลาย นั่งเอาแต่สะกดจิตร่างไปคือปฏิบัติในนั่งไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรว่างวางๆหรือใสใส่อะไรก็แล้วแต่ดับจิตไปอะไรเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางเอกของพระเจ้าทางเอกของพระเจ้าที่เรียกว่าสัมมาสมาธินั้นอยู่ในมรรคองแปดเพราะมรรคองแปดเป็นทางเอกแล้วสัมมาสมาธินี้เกิดจากการปฏิบัติมรรคเจ็ดองไม่ใช่ไปเกิดจากการนั่งหลับตา อาตมาพูดอย่างนี้แหละเาถึงหาว่านอกรีดหาว่านอกรีดก็จะเป็นนอกรีดยังไงอาตมาเอามาจากตำราพระเจ้าพิกมหาจัตตารีสกสูตรก็ไปเปิดสิใครมีพระเจ้าพิดกเล่มสิบสีบอกอีกครั้งข้อ252มหาจัตตารีสกสูตรข้อ252ถึง2 8งเอนี่ทั้งหมดในมหาจัตตารีสกสูตรมีนี่หละ ตั้งแต่ข้อ252ถึง281นี่มันตัดไปยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจผิดแม้แต่หลักเกณ์ที่ปฏิบัติสมาสมาธิเนี่ยปฏิบัติตามหลักปฏิบัติอย่างนี้ก็เข้าใจไม่ถูกแล้วยิ่งสมาธิอีกทั้งเจ็ดหลักเอ้ยสิบหลักขออภัยทิฏฐิอีกส0บหลักนะตั้งแต่ข้อหนึ่ง ทินังยิทข้อ2อยิทถังข้อ3าหุตังข้อ4ี่กัมมานังข้อห้าอายังโลโก โ, โลกนะอีนี้ข้อ6หกปรโรโลโกโหรือประโลกข้อ7มาตาแม่ข้อ8พอ่อข้อ9สัตตาโอปปาติกาหรือสัตโต ป, ปาติกา ขอสสมณพราหมนาผู้ปฏิบัติชอบไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเป็นสัมมาก็ปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าไม่ได้มรรคผลแน่นอนในเ่สมาริทิถิก็ยังเข้าใจก็ยังไม่ได้ปริยัติก็ยังไม่ได้แล้วไปปฏิบัติยังไงปริยัติมันก็ยังไม่ครบอ่ะนะ ปฏิบัติปฏิบัติปิติก็ยังไม่ครบยังไม่เข้าใจและจะไปปฏิบัติถูกต้องได้ยังไงมันจะพาไปนิพพานได้ยังไงน ะ, ะคำ อ, อธิบายของอาตมาอธิบายไปเรื่อยๆนี่ก็มันฟังแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่เขาสอนกันมา แล้วเขาก็อธิบายกันมาย้ำกันมาพาปฏิบัติกันมาไม่ใช่น้อยๆปฏิบัติกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนจะเป็นล้านคนละมังในคนไทยหรือต่างประเทศก็ตามเป็นล้านๆนคนก็เรียนกันมาสอนกันมาแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างนั้นนานแล้วด้วยอาตมาว่าเป็นร้อยๆปีมาแล้วด้วยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักที่ว่านี้ปฏิบัติออกนอกหลัก แล้วมันจะมีหวังได้นิพพานอย่างไรพูดไปแล้วแหมเหมือนกับโพธิรากที่เก่งจริงจรโอ้โหเก่งอยู่คนเดียวเลิศอยู่คนเดียวมันน่ามันไสขออภัยครุณายามีอาการรู้สึกอย่างนั้นเลยนะมั น, ม, นมันรู้สึกว่ามันจะไม่ดีหรอกตั้งใจฟังมีประโตโคสบ้างฟังรับฟังคนอื่นได้บ้างถ้าไม่องั้นไม่เกิดสมาธิ เพราะว่าทางสำคัญหลักสำคัญของพระเจ้านี่สมาธินี่จะต้องมีปรตโคสระมีสมาธิทิวานี้ถ้าไม่มีปรตโขสะไม่มีโยนิโสมนัสิการไม่มีทางที่จะมีสมาธิได้นะถ้าไม่มีปรตโคสะไม่มีโยนิโสมนสิการสองข้อสองตัวนี้ทําไมโยนิโสมนสิการสำคัญทําไมปรตโขสะสาคัญขอขยายความแทกตรงนี้ พรตโตกโสัะคือรับฟังผู้อื่นรับฟังผู้อื่นรับฟังอันอื่นจากความเห็นตนเองบ้างรับฟังอันอื่นจากความเห็นของตนเองรับฟังบ้างถ้าไม่รับฟังความเห็นของคนอื่นฟังอย่างเสียไม่ได้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันฟังฟังฟังฟังฟังสั่งแต่ว่าฟังขคนอื่นแต่ไม่เอามาพิจารณาเอามาใคร่ครวญเอามาตราตรองคือไม่ได้รับฟังเยอะเฉยสั่งแต่ว่าฟังแต่ไม่ได้รับหรอกที่เขาพูดอะไรฟังเข้าไปงนั้นน่ะ ไอ้ ย, อยังงั้นมันไม่ใช่ฟังฟังมันก็ต้องฟังแล้วเอามาคิดมาไ ต, ตรตรองมาตรวจสอบมาศึกษาอ๋อแล้วฟังความคิคนอื่นมาเทียบเคียงมามาศึกษามาดูรายละเอียดกับ ท, ท, ที่เรารู้เราอะไรอะไรด้วยอ๋อมันมันต่างกันเนาะทําไมมันขัดแย้งกันด้วยคนละเรื่องด้วยทําไมมันไม่ครบอะไรต่างๆนานาเราก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมเพราะถ้าขาดปรตโตโคสะจะมาทิฏฐิไม่ได้ ในข้อนั้นน่าแท้แทเลยอันนี้คนไหนที่ยึดมั่นถือมั่นความเห็นตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับของใครของของตัวเองเอาหรือของอาจารย์ตัวเองเอาของหมูก่กลุ่มของตัวเองเอาของคนอื่นไม่ฟังไม่แม้เอาแล้วอะไรงนี้ต่างๆแล้วแต่ <c oughs> เพราะงั้นจะาเผื่ว่าคนที่ไม่มีข้อนี้ก็เป็นอันว่าหนึ่งละ ไม่เกิดสมาธิถิ่นได้สองไม่มีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยโอททำไมสําคัญถึงจะสมาธิถิ่นเพราะอะไรอาตมาเคยอธิบายสู่ฟังแล้วโยนิโสมนสิการ อ, าอยู่ในอวิชชาสูตรเนี่ยในอวิชชาสูตรอันนี้การการทําไว้ในใจนถ้าเผือว่าอโยนิโสมนสิการก็โดยไม่แยบคายถ้า เข้าใจเป็นโยนิโสมนัสิการมณสิการการทําไว้ในใจโดยแยกคายเขาแปลมาเก่าภาษาเก่าๆอัตมามาพยายามขยายความให้มากแล้วทําใจในใจไม่เป็นทําใจในใจไม่แยบคายไม่ท่องแท้ไม่ท่งแท้คือก็ไม่ถูกต้องอย่างอย่างสมบูรณ์นั่นเองไม่ท่องแท้ไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ทําใจในใจอย่างไม่สมบูรณ์ าทาใจในใจไวโดยไม่ไ ม, ไม่ไม่โยนิโสไม่ท่องแท้ไม่แยบคายไม่ละเอียดไม่ถูกต้องครบครันการทาใจในใจอย่างที่ว่านั้นคือการปฏิบัติที่ใจตัวเองเป็นมณสิที่ใจหรือในใจและผู้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติทำใจนั้นไม่เป็นทำใจในใจไม่เป็นและแม้ทำเป็นแต่ ไม่โยนิโสไม่ถูกไม่ท่องแท้ไม่สัมมานั่นแหละแต่โยนิโสนี่มันต้องสัมมามาก่อนด้วยหรือไม่สัมมาก็ตามคุณจะต้องรู้รายละเอียดเลยแล้วปฏิบัติเข้าไปก็จะเกิดสัมมาถ้าคุณเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้เข้าใจอย่างรู้เหตุจริงๆโยนิโสนี่แปลว่าในพระจรรมปฐมกิจบทมิ่๑๒ ภูมิพโลภิกฆูของมูลนิธิภูมิพหลภูมิภูมิ พ, พ, มพโลภิกขุมูลนิธิภูมิพโลภูมิพหลภูมิพหลพิฆูพระเจ้าพจนานุกรมฉบับนั้นนะบอกไว้เลยระบุว่าโยนิโสนี่มีความหมายอีกอันหนึ่งที่แปลไว้มีปรวรณาจารย์ท่านแปลไ ว, ว้ว่าลงไปถึงที่เกิด โยนิมันแปลว่าที่เกิดอยู่แล้วและสับแท้ทั้งพยัญชนะและเนื้อแท้มันคือแปลว่าลงไปถึงที่เกิดขึ้นลงไปถึงเหตุเลยลงไปถึงเหตุเลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจไม่ได้ละเอียดละออไม่มีญาณรู้จนท่องแท้แล้วลงไปถึงเหตุมันก็ไม่สามารถจะฆ่าเหตุได้เพราะธรรมะพระเจ้านั้นอริยสัจสีต้องรู้จักเหตุแล้วก็จะต้องดับเหตุถูกตัวเหตุถ้าไม่ดับเหตุถูกตัวเหตุ มันก็ไม่มีทางที่จะดับสนิทได้โมโมเมเมกันไปข้างๆเคียงๆกงันไปทําโมเมโมเมทําปุโรบุเรอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่ทํามาก็เป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไม่ชัดเจนจำแจ้งไม่จับมั่นขั้นตายไม่มียานอย่างรู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในนา ม, มาทําในนา ม, มารูปไม่มีจริงๆเมื่อไม่มียานนั้นอย่างรู้ไม่มีวิชา ไม่มีวิปัสนาญาณหรือญาณทัศนะนี่วิปัสนาญาณนี่คือวิชาข้อที่หนึ่งของวิชาแปดและสอนกันบอกว่าวิชาแปดนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ด้วยคนเลยไม่ใส่ใจไม่ศึกษาเพราะอย่างคนก็เลยไม่อธิปัญญาสิกขาก็เลยไม่ถึงขั้นวิปัสนาญาณไม่ถึงขั้นวิชาเพรไม่ถึงขั้นมันก็ไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีภูมิถึงเมื่อไม่มีภูมิถึง ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติไปบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติสมัยที่ทำมาเพีียนมาจนเอาทั้งเอาแต่นั่งหลับตาลับตาลับตาแล้วก็บอกจะรู้เองไปตะไปแล้วก็รู้เองเห็นเองเป็นเองเป็นเองเองเองคว่าเป็นเองเนี่ยคำเนี่ยเป็นเช่นนั้นเองนี่เป็นเองนี่มันไม่ได้เกิดเองไม่ใช่ยะถากรรมโมเมโมเมไปไปเดี๋ยวฟอกเจออ่าเป็น ตาบอดขี่ถือปองสำนวนอีสานอาตมาเคยใช้บ่อยตาบอดขี่ถือปองนี่หมายความว่าอะไรหมายว่าคนตาบอดนี่มันตาบอดมันไม่เห็นร่องจะไปอุจจระมันก็ไม่รู้จักร่องแร้วเพราะไปไปอุจจระยังไงไม่รู้มันตรงร่องเป้งเลยโอ้โหโมเมยังไงไม่รู้ตาบอดไม่เห็นหรอกไม่เห็นร่องเห็นช่อง แ, แต่อุจจระก็ไปโอ้ยเจ้าพระคุณเนศมันบังเอิญตรงได้ มันไม่ใช่ตาบอดไม่เห็นร่องนะมันขี่ไม่ถูกร่องหรอก <c oughs> เป็นจำนวนโบราณเป็นสุภาษิตโบราณตาบอดขี่ถือปองอ่มันไม่โมเมย่างงั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องมีหลักมีเกณฑ์อันไม่ผิดไม่เพี้ยนแล้วแล้วก็มันมันยากไม่เช่นนั้นแล้วธรรมพุจา้าท่านจะไม่ตัดว่าเป็น คำภีราทาุตสาธุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตตาวัจรานิปุนาบัณฑิตเวชนียาถ้าจะไม่ตัดไว้ถึงปานเช่นั้นเลยคำตัดนี่ไม่ใช่ตัดไว้เล่นตัดไว้กโก้ตัดไว้ขู่คนไม่ใช่ตัดความจริงออกมาให้ตรวจสอบออกให้ยืนยันออกมาให้เรียนรู้พิสูจน์เพราะธรรมกของพระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิต เป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าบกพร่องอาตมา ก, ก็ถึงบอกว่าคราวนี้มาฟังธรรมะที่อาตมา ก, กําลังบรรยายนี่มันเป็นธรรมะที่เจาะลึกฝึกทำนะเจาะลึกนะผู้ใดที่มีนะอาตมาว่าคนที่ไม่ชอบลึกๆไม่ชอบ ต, ตื่นตื่นไม่ชอบชอบลึกๆเหมือนกับบางคนก็บอกว่าเล็กๆไม่ถ้าใหญ่ๆทํบางคนก็ชอบใหญ่ๆเขาก็ทําไป เล็กๆไม่ใหญ่ๆทาอันนี้ก็บอกบางคนก็บอกแม่ตื้นๆไม่ตื่นๆเนี่ยไม่รู้สึกแต่ลึกๆนีาเอาเอาเราได้พูดกันเนาะตื่นๆไม่รู้สึกแต่ลึกๆนี่บันมากเาข้าไปนวลเลยๆๆชัดตื้นๆไม่รู้สึกโอแต่ลึกๆถึงจิต ถ, ถึงใจ โอ้ไปได้หลายน้อได้อันเนะอะลึกๆมันมากได้ถึงจิตถึงใจอะไรนี่ก็แล้วแต่นะนะเพราะอันนี้ก็ขอยืนยันว่าลึกละเอียดและอาตมาขอยืนยันว่าทุกวันนี้อาตมาแม้ว่าจะยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่พอได้รู้ได้เห็นพราะทำงานมาหลายปีนานแล้วเพราะฉะนั้นก็เปิดตํำรับตําราบ้างแต่ก่อนนี้มันแหม มันลูกทุ่งจริงๆถึงได้ถูกอัตมาถึงได้ถูกอัดสันวันแบนตะแต่เลยเขียนไปโมเมไปตามภาษาที่ใหม่มันอะไรขึ้นมาจะออกไปเรื่อยเลยเขียนพูดไปหลักวิชาอะไรอะไรก็ใหม่มีอะไรทั้งนั้นสเปรศะกดิ์เขาก็เลยอัดซับมอแทบจะแหลกเลวเลยอัตมาโดนก็ไม่เป็นไรคนเรามันก็มันไม่มันยังไม่มันยังไม่ได้ตั้งหลักมันก็เป็นไปบ้างแต่ตอนนี้เนี่ย อาตมาทํางานเขียนหนังสือก็ดีพูดก็ดีบรรยายก็ดีจนหน้ารําคาญหน้ารําคาญตรงไหนเดี๋ยวก็อ่างบาลีเดี๋ยวก็อ่างพศกระปิดกข้อนั้นประโยคนี้อันนั้นอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โจนหจะน่ารําคาญขอยืนยันว่าจงราคาญเพราะอาตมาเจตนาอ้างอาตมาเจตนาอ้างคุณจะราคาญก็ขออาภายัยจงราคาญแต่จงราคาญที่อาตมาต้องอ้างเพราะอาตมา ต้องยืนยันเพื่อที่จะให้ท่านที่ว่าอาตมามาเก่านั่นะนะไปเลยไปตรวจพระไตรปดกเล่มนี้ข้อนี้พระเบลีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แม้อาตมาจะยังรู้ไม่จริงไม่ถูกอย่างไรแค่ไหนก็ไปตรวจกันเลยไม่ใช่ว่าไปท้าทายอะไรหรอกแต่เพื่อยืนยันยืนยันความจริงความถูกต้องอยากให้ท่านตรวจสอบเหมือนกันถ้าผิด มันเพลิดเพลินมพลาดยังไงกรุณาแจ้งด้วยบอกด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะอาตมาว่าอาตมาไม่สเปสปลาแล้วเดี๋ยวนี้เข็ดแล้วแม้เล่นเอาแบนจะแบนและแหลกจะเหลวเลยนี่โอ้โหเสียเวลาจะขึ้นศาลอยู่ตั้งหปี6เดือนหวันหวันจริงๆเลยนะกว่าจะตัดสินความขึ้นศาลวันสุดท้ายไปที่ไปที่ห้องพิจารณาที่หห้องที่หด้วยนี่ไม่ได้ใบหวยเลขหกนะ ที่ห้องผู้บังคา6หกสารแขวงพระคนครเหนือนั่นน่ะห้องที่หกนี้ด้วยนะนหกมาเลยอาตามาก็หกเลยอาตามาแพ้ไม่หกได้ยงไงแพ้แพ้สามสามเลยหกเนยอ้าวก็ผ่านไปแล้วนะก็ถูกตัดสินให้จำคุกเท่า น, นั้นเท่านี้เดือน แต่ว่ารอรงอาญาสองปีเนี่ยก็ผ่านไปจนหมดแล้วสองปีก็ผ่านไปหมดแล้วจนสิ้นจนจบแล้วจบเรื่องแล้วนะก็ระลึกถึงความหลังนิดนิดนิดหนอ่อย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอาตมาก็ควรจะต้องเข็ดที่คนนะเนาะมันไม่เข็ดได้ยังไงอมันก็ต้องเข็ดบ้างอาตมาไม่ใช่คนดื้อด้านดืดดึงอะไรนี่จะได้ทําอะไรก็แด้ดืดดึงยังไม่รู้จักเข็ดจักราบ มันไม่ใช่นะอาตมาไม่ใช่นะใครจะใช่กันแล้วแต่เธออาตมาไม่ใช่เจ้าประคุณยาเอาอีกเลย ล, ลูกช้างเข็ดแล้วสงสารลูกช้างมืองเถิดเนนะอะเพราะอาตมา ก, ก็ได้จะ ต, ตั้งใจทํางานนี้ต่อไปอายุก็มากปานนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ตั้งใจทําไปเพื่อที่จะให้ได้เกิดประโยชน์คุณค่าเพราะอาตมาได้รับประโยชน์จากธรรมะจากศรราสนาทุกวันนี้นี่ก็ ถือว่ามีความสุขสบายทํางา น, เ, นเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยก็เพียรพากเพียรไปทําไปแล้วก็พยายามรักษาชีวิตรักษาสังขารร่างกายเพื่อจะจะให้ยืนยาวไปอีกนะามาต่อเรื่องว่าเมื่อเราเข้าใจคําว่าทําไว้ในใจโดยแยบคายนี้ไม่ถูกต้องก็ไม่สมาทิติการทําใจในใจนี่แหละคือธรรมะที่จะเข้าปรมตธิ ถ้าคุณทําใจในใจไม่เป็นแล้วคุณจะไปถึงปรมาจาย์ได้ไงถึงจิตเจตสิกได้ไงแค่กายกับวาจาไม่มีทางนี่จะไปบรรลุสัจธรรมไปได้หรอกเน้ต้องมียานรู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าปรมาจารย์เราเป็นอย่างไรอธิปัญญาศิกขาจะต้องมียานย่างรู้เป็นชานาติเป็นปัจสติหรือเป็นชาณาโตปัจสโตมิหารติ มีวิรารติด้วยวิรารตินี้มันบอกถึง continue, continuing มันบอกถึงในปัจจุบันนั่นเที่ยววิหารติแปลว่าอย่างงั้นะเป็นอย่างงั้นอยู่หลัดหลัดเลยเห็นอย่างงั้นอยู่รู้อย่างงั้นอยู่ชานาตินี่แปลว่ารู้ปัจสติหรือวิปัสสนานี่แหละปัจสนะนี่แปลว่าเห็นมันมีดวงตาเห็น มีสิ่งที่รองรับการเห็นการรู้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ลอยลมไม่ใช่มีอะไรรับรองมันมีสิ่งรับรองมันเป็นนามธรรมจริงจิตใ จ, จจสิบเป็นนามธรรมแต่มันมียาเนีเ่ยไปสัมผัส ร, รู้เลยรู้อาการลิงคะนิมิตพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อาการลิงคะนิมิตอุเทศนะรู้นามรู้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศในพระธรปิฎกเล่ม 9, เก้าอัตมาจำข้อไม่ได้นะอันนี้จําข้อไม่ได้แต่อยู่ในจำได้อยู่ในพระธรรปิฎกเล่มเก นะรู้ด้วยเป็นนามรู้นามมารูปเ น, นี่ยมันเป็นนามธรรมหรือนามมารูปหรือนามมาร่างเป็นนามเป็นกายกายก็กายแบบรูปเป็นนามรูปก็รูปแบบนามนะสิ่งที่ถูกรู้รูปนี่สิ่งที่ถูกรูปเป็นแบบนามธรรมามีญา น, นี่สามารถรู้ได้รู้เป็นอาการอาการนิฆนิมิตอุเทศคือฟังคําบรรยายไปนี่อาตมากําลังบรรยายนี่คุณก็ฟังหัวข้อธรรมะต่างๆ ที่อัตมาหยิบขึ้นมาสาธยาให้ฟังนี่เรียกว่าอุเทศแสดงอุเทศให้ฟังเมื่อฟังไปแล้วคนก็เข้าใจแล้วคุณก็ไปพิสูจน์อาการลิงคณิมิตไปพิสูจน์อาการที่ไปทางนา ม, มาทําอาการมันกําลังโกรธจิตมันกําลังโกรธมันเป็นอะไรเป็นอกุศลจิตใช่ไหมอ่ากำลังโกรธนี่เป็นอาการของอากาุศลจิตคุณก็ใช้ยานพยายามรู้โอ้นี่มันกําลังเกิดเป็น โอ้โห و, เห็นแล้เห็นแล้วเป็นชานาโตชาณาโตปัสตสโตวิหรติทีเดียวกําลังเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวกําลังเห็นอยู่เลยเหตุการณ์นั้นเลยอยู่ทีเดียวต้องไงมีอะไรท้วงเล่มสิบข้อหกสิอ๋อไม่ใช่เล่มเล่มเก้าขออภัยรู้นามรูปได้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศอยู่ในเล่มสิบข้อที่หกสิบเอ็ดอ้าวขออภัยเอ า, อเอ า, า, ย, เอายังลบๆซะแกผิด ข้อหกสบนะเล่มสิข้อหกสิเอาไปเปิดดูรู้อาการลิงคะนิเมตอุเทศด้วยรู้นามรูปด้วยอาการลิงคนิเมตอุเทศพริรจาท่านตัดเอาไว้ในนั้นดูเหมือนจะรู้จักไอ้ต่างๆนานาทั้งเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยก็อยู่ในข้อนี้ด้วยก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยอะอะเล่มห้าแปด เล่มสิบข้อห้าสนะรู้ด้วยเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนะสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่พุระเจ้าท่านตรัสดันปัตติสกแต่ถ้าเขาไม่ใัก่เกยหรอกเพราะว่าแปลเป็นไทยมันจะผันผ่านจะไม่สะดุดคนอ่านพัฒนพิสดกนี่อ่านเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยแล้วอาการลิงคั่นนิมิตอุเทศอะไรหรือว่าเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเขาจะไม่สะดุดแต่อตาตมาอ่านแล้วโอ้โหนี่หลักการทั้งนั้นเลยหลักวิชาทั้งนั้นแล้วหยิบอธิบายให้พวกเรารู้แล้วพวกเราก็เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านอาการ เมื่อกี้สมมุติว่ากําลังโกรธอาการโกรธเอาแล้วอ่านไม่ออกอาการใจในใจอ่านไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าโอ้อาการโกรธเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํายังไงกับใจที่มันกําลังโกรธ ถ, ถ้าเราเข้าใจจับได้ว่าโอ้อาการนี้กําลังเกิดอยู่อย่างนี้เลยเราก็จะทําใจจํากับใจของเราเนี่ยนั่นแหละมณสิการะทำสิทํำยังไงจะทํำวิคัมพนาปหารหรือว่าจะทํทาตทังข้าหาน ปะหาได้ด้วยวิชาความรู้ด้วยหลักวิชาวิปัสนาญาณหรือว่าสมบทวิธีวิปัสนาวิธีก็ทําทํำในการกดข่มวิคัมพนะหรือว่าทําให้เกิดสงบด้วยวิธีสงกดวิธีข่มแต่ทําด้วยวิธีใช้ปัญญาเห็นรู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานด้วยความจริงด้วยตัวอย่างด้วยอะไรก็ตามใจด้วยของของจริงของเราเข้ามายืนยันก็ตามถ้าเราศึกษา วิปัสนาวิธีทําให้ลดลงได้นั่นแหละวิชาพาระเจ้าวิปปวิปัสน า, าวิธีแท้ๆคือรู้เห็นของจริงแล้วก็ทําไม่เห็นหลัดๆเลยว่าโอ้อ่อนแรงลงไปทัทนทีเลยอาการทําอย่างนี้เองทําอย่างนี้เองไม่ทาอย่างนี้เองนี่อาตมาก็ไม่รู้จะขยายความยังไงใครได้ฝึกไปทําเองก็จะต้องรู้ของตนเองใช่ไหมอันนี้มันปจัจจตังอะ <c oughs> มันยาก อธิบายก็ไม่ได้ต่อไม่รู้จะทําทไงต้องฝึกเถอะแล้วก็จะเคยรู้ว่าโอ้ทํานี้เองแล้วอาการของโทสะที่มันกําลังเกิดอาการเนี่ยมันมีเครื่องหมายในวันนิมิตอาการลิงคะนิมิตมันมีเครื่องหมายให้รู้ว่าอาการนี้มันเป็นโทสะอาการนี้เป็นอาการของโลภะหรือหรือราคะอาการนี้ราคะมันต่างกันลิงคะแปล ว, ว่าความต่างกันซึ่งความต่างกันในอัตมาเคยอธิบายแล้วว่ามันมีอยู่สองในหนึ่งคือมันคนละตระกูล ราคากับโทสะมันคนละตระกูลสองมันต่างกันเพราะมันมากมันมีอินทรีย์มีพละมันมีกําลังมันแรงมันเบามันมีกําลังแรงกับมันกําลังเบาอาการของโทสะมันแม่มีกําลังแรงกําลังมากมันกําลังเล่นงานเราอ๋อคราวนี้มันเล่นเบาๆไอ้แรงกับเบาหรือกลางต่างกันมากต่างกันน้อยก็เป็นลักษณะที่ต่างกันโดยอินทรีย์โดยโดยอินทรีย์โดยพละโดยอํานาจของมัน เราจะมียานรู้ของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ในใจมณะะสิไม่รู้สิ่งเหล่านี้ไปจิตเจตสิกในใจของเราเองแล้วเราก็ปฏิบัติกับมันไม่ถูกจิตถูกใจไม่ถูกลักษณะอาการพวกนี้ไม่รู้ถูกไม่ถูนามรูปไม่ถูกนามมารูปแล้วเราจะไปทาอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติโมเม มันไม่มี subject ให้เราได้จับได้แตะได้ต้องได้สัมผัสได้รู้ได้กับปฏิบัติแล้วมันเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ลดได้หรือลดไม่ได้พระพุทธเจ้ายังมีกำกับลงไปอีกในอานาปานสติสูตรท่านกำกับว่าให้ไปตรวจดูซิเราตรวจดูแล้วก็จะตามเห็นเวลาปฏิบัติอาจิตแต่ว่าจะเตวิโชก็ตามเลยระลึกมาเตวิโชก็คือระลึกถึงที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นอะระลึกไปเมื่อระลึกไปแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้มันมีอะไรเกิดอะไรดับ แล้วตามเห็นไหมความเกิดความดับเหล่านั้นตามเห็นไหมเคยและรู้ของจริงที่เราเคยสัมผัสมานะบุเพนิวาสานุส ต, ติญาณแล้วก็ดูสิว่าอะไรเกิดอะไรดับกิเลสมันเกิดก็เออจําได้อันนี้เป็นเตวิโชนะไม่ใช่เห็นปัจจุบันหลั่นหลัดนะนะไม่ใช่ปัจจุบันหลั่นหลัดอันนี้เตวิโชก็อาณาปานาสตินั่งหลับตาแล้วก็ดูภาวนาภาวันแล้วก็ะระลึกมาโอ้กิเลสเราเกิดเมื่อ น, นั้นคราวนั้นแหมไปเจอ กิเลสมันเกิดเพราะเหตุนั้นตอนนี้มันเกิดโทสะหรือมันเกิดราคะเห็นอาการราคะเสร็จแล้วเราได้ทําให้มันลดจางคลายได้ไหมตามเห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันโอ้โหมันแรงขึ้นมันแรงมากมันเนี่ยหรือว่าลองระงับมันได้โอ้โหเนี่ยเราระงับมันไม่อยู่เลยมันแรงขึ้นหรือว่าไม่ได้มันลดมันเลยข่าวนั้นเนี่ยระลึกได้ปัจท้มันโกรธโกรธหน้ามืดไม่ได้รู้ตัวเลยมันขึ้นใหญ่เลยมันไปมากมายเลย เห็นความไม่เที่ยงมันไม่ได้เท่าเดิมแต่มันก็ทวีนะแม้คุณต่อสู้แต่ปฏิบัติต่อสู้แล้วก็สู้ไม่ได้มันก็ยังมากขึ้นมากขึ้นก็คือมันทวีมันเป็นปุถุชนกริงๆมันหนาขึ้นอ้วนขึ้นโตขึ้นอยู่นั่นเห็นของจริงเลยนะแต่ตามแล้วว่าสู้ได้แม้คราวนั้นระลึกแล้วได้มันลดมันลดวิราคานุปัสสีถ้าตามเห็นความไม่เที่ยงเฉยๆนั่นมันก็แค่อนิจานุปัสสี ตามเห็นความไม่เที่ยงแต่นี้ตามเห็นปรมัตต์นั้นอย่างวิราคาโนปัสสีตามเห็นว่ามันโอโ้มันลดลงจางลงคลายลงเพราะสามารถเราทําได้หรือสามารถเลยมันลดลงเรื่อย ๆ, ๆได้หรือเห็นจนกระทั่งทําจนกระทั่งถึงขั้นดับนิโรธานุปัสสีไอตัวที่เคยเลยทำนั่นแหละหมายคราวนี้เราทําถึงขั้นมันดับโอ้โหดับได้หลายทีดับเป็นนานดับได้หลายครั้งหลายครา แต่ทางขับผ่านปฏิปสติผหานอุตเฉแตสมุทเชตป่านปฏิปสทธิผหานถึงขั้นนินสระผ่านก็ตามใจคุณทําได้เห็นเห็นเห็นมีญานเห็นจริงๆเลยมันจะเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เป็นลวงมันไม่ใช่โมเมมันรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงของจริงๆ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่เห็นของจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดใช่ไหมต้องมีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้แจ้งโดยตนเองรู้ได้โดยตนเองเลยอมันมั่นใจมันละเอียดละ อ, อ่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกอย่างเลยมันถูกถูกถูกถูกเพราะฉะนั้นใครทําใจในใจเป็นและลงไปถึงที่เกิดดับเหตุรู้จักตัวเหตุคือกิลเลสตัณหาอาการกิลเลสตัณหาในเหตุ ดับมันได้ทําจางคลายได้ทําดับได้ก็รู้ว่ากิเลสตัวนี้มันอาการนิมิตของราคะหมาตอนนี้เล่นมันสดับเลยนิ่งเลยไม่เกิดอาการเลยอาการมันไม่เกิดเป็นยังไงอาการมันนิ่งเปยังไงอาการมันดับไปยังไงคุณก็ต้องมียานรู้ว่ามันดับต่างกันกบความไม่ดับยังไงอาการมันยังเหลืออยู่เหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนคุณก็เห็นลิงคะเห็นความต่างของมันมันเป็นของจริงเป็นวิทยาศาสตร์น่ะ คุณวัดได้โดยมิเตอร์ใจของคุณด้วยคุณวัดผิดวัตถูกกับมิเตอร์ของคุณเกหรือมิเตอร์ของคุณดีก็แล้วแต่คุณเถอะถ้ามิเตอร์ของคุณเกลิมิเตอร์ของคุณก็วัดผิดผิลาดถ้ามิเตอร์ของคุณดีก็บัดตรงเป่งเป่งเลยหรือจะเอาตรงเป๊ะเป๊ะเลยก็ได้เอาไม่เป่งเป่งก็เป๊ะเป๊ะเลยก็ได้เอาเออใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติโยนิโสมนสิการไม่เป็น BE, คนนั้นยังไม่สมาธิทิหูบ อ, อคนนั้นยังไม่สมาธิทิเห็นไหมชัดชัดเ จ, จนๆไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติสเปดสปะอะไรไปเลอ ะ, ะเทอะมนัสิการไม่เป็นอา้าวที่นี่มาสูตรต่างอีกสูตรอีอกอัตมาอธิบายฟังแล้วว่ามนัสิการมันมีอยู่ในสูตรอวิชชาสูตรนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศรัทธาคุณฟังสัตตบุรุษมา พอฟังสัตบุรุษมาแล้วก็ได้ฟังสัตยธรรมพอคุณพบสัตบุรุษสัตบุรุษคือผู้รู้ที่แท้จริงพอพบสัตบุรุษคุณก็ได้ฟังสัตยธรรมอ่าก็มีอาหารคือได้ฟังสัตยธรรมถ้าคบสัตบุรุษคุณจะได้ฟังสัตยธรรมเป็นอาหารอาหารของใจนะอาหารของปัญญาอาหารของจิตคุณได้ฟังสัตยธรรมแล้วคุณก็จะเกิดศรัทธามีความศรัทธาที่ถูกต้องเพราะเป็นสัตยธรรมเพราะเป็นสัตบุรุษถ้าเป็นอสัตบุรุษก็ได้ฟังอสัตยธรรม พอได้ฟังอสัตย ธ, ธรรมก็อสัตตาหรือศรัทธาเป็นมิจฉาศัธทธาเป็นศรัธทธาไม่ถูกต้องเป็นศรัทธาได้มพียงแต่ศรัทธาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นอสัตยธรรมแต่ถ้าได้ฟังถูกต้องมาก็เป็นศรัทธาเมื่อฟังสัธทธธรรมศรมัธทธาในสรัทธาคุณคุณก็จะทําใจในใจโดยแยกขายถูกต้องไม่เช่นนั้นคุณจะทําใจในใจไม่ถูกต้องเอายกตัวอย่างง่ายๆอปจจุบันนี้เที่ยวคุณฟังอัตมาอธิบาย คุณก็เลยไปทําใจในใจได้ถ้าคุณยังไม่ได้ฟังอย่างที่อาตมาอธิบายคุณจะทําใจในใจได้ไหมมีเหมือนกันเขาคิดว่าเขาทําใจใน ใ, นใจเหมือนกันฉันไปนั่งสังกดจิตเขาก็ว่าเขาทําใจในใจนะสังกดจิตปลอยแต่มันไม่ใช่อย่างที่อาตมาอธิบายใช่มไมมไม่ไม่ใช่อาจจตมาอ่าไม่ใช่เขาจะทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยเกี่ยวโยงไปถึงสูตรอื่นอีกอ่าทีนี้โยงไปถึงสุดมูลสูตร อมูลสูตรท่านบอกว่ามูลสูตรเนี่ยมีอะไรเป็นฉันทะอ่าเพมีภิกษุไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็อธิบายให้ฟังอ่าธรรมะของพุทธเจ้าถ้าจะปฏิบัติให้ได้มักใด้ผลมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นมูลมู ล, ลาการพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามีฉันทะคนปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าไม่ฉันทะไม่เต็มใจไม่ชอบ ไปเลยไปเลยเสียเพลาบบได้ดอกเพราะมันยากพูดแล้วอย่าท้อฟังแล้วอย่าท้อข อ, อาภายเพราะนี่ยอดเพชรยอดทองของมนุษย์ถ้าคุณแม่เอายอดเพชรยอดทองนี่คุณจะก็คงไปเอาขี้กระโหลกทอยู่แนในโลกอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเพชรยอดทองของมนุษย์อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอยเอาเถอะคุณไปมัวตะงมแย่งเพชรแย่งทองแย่ง เ, เงินแย่งอำนาจบาดใหญ่ล า, าบยศเสสรโลกียสูงเนี่ยก็วนอยู่ในโลกโลกีนรกสวรรค์อยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่เกิดจะออกมาจากวงวนนั้นได้หรอกอยู่ในโลกีวนอยู่นั่นแหละออกมาจากตรง น, นั้นหลุดพ้นออกมาได้ต้องมาศึกษาอย่างนี้แล้วจะพ้นทุกข์พ้นสุขแล้วจะเป็นคนเบิกบานแจ่มใสแล้วจะอยู่กับโลกเขาเป็นประโยชน์แก่โลกเขาอย่างดีจริงๆ ไม่สร้างบาปสร้างสร้างบาปสร้างกรรมอีกไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรไม่เชื่อก็ไม่เอาตังค์บอกอะไรบอกฟรีฟรีไม่เอาตังค์นะไม่เชื่อก็ไม่เอาตังค์นะเอาทีนี้จากอันนี้ฉันทะเป็นมูลมีความยินดีพอใจชอบใจเป็นต้นรากหรือมูลเป็นว่าต้นรากต้นเข้าต้นเหตุถ้าไม่มีฉันทะเป็นมูลอยาก โอ้ใส่เอสสิบตัวทีนี้ถ้ามีฉันถ้าเป็นมูลแล้วทีนี้ก็ปฏิบัติให้เกิดได้เพราะคุณมีมณสิการเป็นแดนเกิดเอาลัษณมณสิการมาอีกแล้วถ้าคุณทําแดนเกิดตรงนี้ไม่ได้เป็นแดนเกิดนะอะไรจะเกิดจะเกิดอริยะบุคคลสัตตาอุปปาติการจะเกิดเกิดต้องทรมณสิการเป็นถ้าคุณทำมณสิการไม่เป็น ค น, ไ ม, มน ไ, มไม่มีแดนเกิดไม่เกิดไม่มีแดนเกิดแดนไหนก็ไม่รู้สเปสปะโมเมกันบอกแดนอะไรก็ไม่รู้แดนนิพานแดนอะไรไปเลอะเทอะนิพานจะเกิดที่แดนนี้แดนมนสิการเนี่ยพอมนาสิการเป็นแดนเกิดแห่งการที่จะเกิดเป็นอริยบุคคลหรือแม้มันเกิดเป็นสวรรค์เป็นนรกก็อยู่ที่นี่และทิ่งมีสมาธิสามารถที่จะมะนสิการให้เกิดเป็นอริยบุคคล เกิดจิติกิจริงๆสัตตาอุบ ป, ปาติเกิดจะสตาอุบ ป, ปาติกาจะเกิดตรงนี้เป็นแดนเกิดนะคุณต้องมีปัญญาเข้าใจพวกนี้มาแล้วคุณจะถึงมาเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นแม้คุณฟังไปแล้วคุณฟังแล้วคุณก็รู้แต่คุณก็ไม่ยินดียินร่ายฟังไปโอ้ไม่เห็นสาบซึ่งอะไรไมเมนจะมีฉันทาอะไรแน่นอนนะคุณก็อยู่ในนั่นแหละความวนวงวนอยู่ในนั่นแหละในอ่างน้ํากล่าววนเป็นเรือ ภายในอ่างนา้ําในโลกียอยู่แนนรกสวรรค์ขึ้นสวรรตกสวรรค์ลงนรกลงนรกแล้วก็มาใช้หนี้ใช้บาปหมดก็ไปก็ ข, ขึ้นมาเป็นคนก่อบุญใหม่เข็ดลาบหน่อยตอนแรกเข็ดลาบก็ได้สวรรค์ขึ้นไปหน่อยตกสวรรค์อีกวนอยู่แน่แหละนับชาติไม่ทวนนับชาติไม่ทวนมันมากจนไม่รู้จะนับยังไงหรอกชาติที่จ ะ, ะนับการเกิดการวนเวียนของสัตว์โลกหรือของใครแต่ใครเนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีมณสิการไม่รู้จักมณสิการทําให้เกิดในมณสิการนี้ไม่เป็นมณสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีแดนเกิดคนจะไม่มีมณสิการรมันไม่มีละเกิดที่ไหนก็ไม่รู้มันเกิดยังไงก็ไม่รู้แดนเกิดอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีภูมิปัญญามียานรู้แล้วว่าต้องเกิดที่จิตนี่แหละ เกิดที่จิตนี่แหละสวรรคโรกก็เกิดอยู่ที่จิตเป็นอารยบุคคลหรือเป็นโลกิยะบุคคลก็เกิดที่จิตนี่แหละชัดขึ้นไหมอ่าเกิดที่จิตนี่แหละอ่าทีนี้สำคัญต่อไปอีกอัตมาสอนมาแล้วนะในภูนที่มีภูมิเก่ามีพื้นฐานจะเข้าใจชัด เมื่อคุณเข้าใจรู้ว่ามณะทำมณสิการเป็นมณสิกานี่จะเป็นแดนเกิดคุณก็ต่อไปได้อีกมีอะไรเป็นอะไรต่ออีกคุณจ้าก็บอกมีผัสสะเป็นเหตุเกิดเพราะฉะนั้นคุณจะปฏิบัติธรรมคุณจะต้องมีผัสสะเป็นเหตุเกิดนี่ชัดที่สุดเลยว่าปฏิบัติธรรมไม่มีผัสสะลงทะเลยะเยือกเย็นไม่จะลมนะเพลงก็บอกว่าลมทะเลยะเยื่อเย็น อาตมาบอกลงทะเลลอลิงงองงูเย็นชื่อเลยลงทะเลไปบางคนตายเพราะว่าถูกไอ้ลามกินบางคนว่ายน้าไม่เป็นตายลงทะเลยะเยื่อเย็นสแสดงผู้เล่นผู้ปรกอบเพื่อควาสนุกนมีผัสสะเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดเพราะฉะนั้นคุณจะเกิดมานสิการคุณจะต้องมีผัสสะเป็นเหตุ เมื่อมีภา ษ, ษาเป็นเหตุแล้วมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงโอ้โหมีพื้นฐานมานี่ชัดขึ้นไหมมันแจ้งจังปางยิ่งกว่าอะไรอีกใช่ไหมคำตัดผู้เจ้านี่มันมันขยายกันมันสอดคล้องกันมันรองรับกันมันเหมือนร้อยมาลยมันส่งเสริมกันมันยิ่งเห็นชัดเห็นจริงแมนบอาตมาเป็นคนอีสานเอาศัพท์อีสานมาพูด ประกอบไปด้วยถ้าอาตมาเป็นคนมาภาคเหนืออาตมาก็คงจะเอาศัพท์เมืองเหนือถ้าอาตมาเป็นคนใต้ก็คงจะเอาศัพท์ใต้แต่อาตมาจนได้กล่าวที่อาตมาไม่ค่อยใจรู้ศัพ์ไม่รู้จักศัพท์ภาษาใต้เพราะอาตมาไม่ใช่คนใต้เหนือก็ไม่เคยรู้จักแต่ภาษาเหนือนี่กัอีสานจะมีคําที่คล้ายกันเยอ ะ, อะพอมีภาษาเป็นเหตุเกิดมันก็จะเกิดแล้เกิดเรื่องเกดราวขึ้นมาแล้วก็เกิดเวทนาเป็นที่ประชุมลม เป็นที่ประชุมลงส ม, สมโมสรานาเหตุเกิดนี้คือส ม, มทุทัยมีภาษาเป็นเหตุทําให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเรื่องเกิดราวเกิดอะไรขึ้นมาก่อนแล้วก็มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงเป็นอารมณ์มีพอภาษาแล้วก็จะเกิดอารมณ์ประชุมปุ๊บเลยโอ้โหเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปแล้วคุณก็อยู่ในสวรรค์อยู่ในนรกอยู่อันนะี้ถ้าคืไม่เรียนไม่เรียนรู้ธรรมะ คุณก็จมอยู่กับสวรรค์กับ น, นรกอยู่กันหรือบางทีไม่เป็นสวรรค์ไม่เป็นนรกกลางๆมี่อยู่แค่นั้นแหละเวทนาสมสุขเวทน า, าทุกขเวทนาอาุกกมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาอยู่อย่างนั้นเนะป็นอารมณ์วนอยู่ตรงนั้นแหะเสร็จแล้วคุณก็เสกก็ติด ก, ก็ชอบก็ชังก็มีอะไรต่อเนื่องไปจากสุขทุกขสุขก็ชอบใจยึด มันโอ้อยากไะไอีกตอนนี้มันอิ่มแล้วสุกกันนเสพสมใจแล้วผ่านไพรมักสเปต์ตนี้เบื่อแล้วพักก่อนเอาใหมา่อยากใหม่ตันหาใหมา่หาเสพอีกตรงนรกขึ้นสวรรค์อยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบมันรวมเป็นรวมลงเป็นเวทนาเป็นที่ประชุมลงประชุมไปเป็นองค์ประกอบของเวทนาสุขสขทุกๆอะไรถ้าเรียนเวทนาอย่างที่ ได้เรียนมาแล้วพุทธเจ้าสอนเวทนาในเวทนามีตั้งร้อยแปดเวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าเวทนาหเวทนาสิบปดเวทนาสามสิบหเวทนาร้อยแปดเสื้อตมาอธิบายฟังหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าผืว่าเราแยกเวทนาในเวทนาออกแล้วก็รู้จักเวทนาแล้วยังรู้ว่าเมื่อสัมผัสไปเวทนาแล้วมันมีตัณหาในเวทนามันจึงเกิดสุขเกิดทุกข์ หรือมันมีอุปาทานแล้วมันก็เดินบทมาเป็นตันหาแล้วมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เพราะตันหานั้นกามาตันหาก็ดีเพราะว่ตันหาก็ตามแม่ที่สุดวิภวตันหาก็ตามมันเกิดจริงมันจึงเกิดเป็นเวทนาเป็นที่ประชุมลง เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีปัญญามีความรู้มาตามเรื่องตามราวมีฉันทะในการปฏิบัติมรณาสิการเป็นก็จะมีแดนเกิดเกิดจะเกิดเป็นอายะบุคคลเกิดเป็นอะไรได้เพราะคุณผัสสะไปเรื่อยเป็นต่อเนื่องมเองาเลยท่านอธิบายมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักผัสสะเป็นเหตุเกิดทําให้เกิดอะไรขึ้นมาพอเป็นเวทนาคุณก็วิจัยในเวทนาลงไปได้ปฏิบัติจัดการกับเวทนาจนกระทั่งเวทนามีผัสสะแล้วก็มีเวทนาแล้วก็มีตัณหามีอุปทานอะ คุณจัดการกับมันได้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเพราะมันประชุมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในอารมณ์นี้แหละปฏิบัติมาเข้าใจไหมเห็นของจริงที่เราได้ปฏิบัติมาบ้างไหมานาคหังดิ น, นเป็นน า, นาคนาคนนี้ชื่อหังดินภาษาอิสานอาตมาตั้งชื่อให้เองว่าหังดิ น, นาภาษาภาคกลางเขาเรียกว่ารังรังดิน รังหังหังดินออกสมัยอีสานหั่งดินหังดินหังดินนะเป็นภาษากลางก็รังดินนี่แหละเป็นดินเป็นรังดินเป็นรังที่อยู่ที่ดินรังนเป็นที่พักอยู่ที่ดินรังดินเราไม่ต้องไปเอารังฟ้ามันสูงไปเอารังดินเท่านั้นนะนะดินอุ้มดาวนานดินชักจะเพเยอนะตอนนี้ ดินจะไปอุ้มดาวช่างจะไผเยอะนะเพราะน้เรานนจะเห็นสภาพชัดเลยยิ่งเราฟังแล้วเรามีสภาวะที่เคยปฏิบัติมาจะเห็นว่าโอ้โหมันเป็นเวทนาเนี่ยประชุมลงตรงนี้เราก็จัดการเลยเพราะเรามีความรู้แหละเรารู้ปริญัติเราปฏิบัติมาเราก็จะรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฉันทะปฏิบัติมนณสิการเป็นผัสสะเป็นยังไงก็ได้รู้เวทนาก็จัดการกับเวทนา อะไรเป็นตัญหาอะไรเป็นอุปถานจัดการจัดการจัดการไปเรื่อยอยก็ยยยยจะเกิดสั่งสมลงเป็นสมาธิสมาธิก็จะเป็นหวนหน้าประมุกไปว่าหวานหน้าใช่มไหมจิตมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอสมาธิีเป็นหัวนหน้าไปเร่อยื่อยเป็นนําเ่อยๆจิตได้สํารอกกีเยืยจิตได้จัดการแข็งแรงตั้งมันไปเรื่อย ทำถึงขั้นนิโรธาอนุปัสสีเสร็จแล้วก็ทําซ้ําทํำซากมีอาเสวนาภาวนาพระหุรีกรรมังทําซ้ําทำคุณทําเคยทําให้มันจนกระทั่งเกิดผลภาวนาเกิดผลเกิดผลเกิดผลตามที่เราเคยทําได้นี่แหละทำซ้ําพระหุรีกรรมังทําให้มากมากๆๆมากๆากมาเข้าก็จะเกิดสั่งสมลงเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นความตั้งมั่นนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอ่ ต่างกับฌานฌานเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดผลของจิตจิตที่เป็นผลนั้นก็จะสั่งสมลงไปเป็นปมุกพอได้แล้วมันก็จะเป็นหัวนหน้านำนำนำนำําไปเรื่อยสติเป็นใหญ่เสร็จแล้วไม่ไมสมาธิแล้วมีอะไรเป็นมีอะไรต่อไปมีสติเป็นใหญ่มีอธิปไตย พอเวลาสั่งสมเข้าไปเป็นอํานาจของสมาธิหรือความตั้งมั่นของอนี้นําไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆก็จะเกิดอํานาจอธิปไตยเกิดความเป็นใหญ่ท่านไปแปลว่าเป็นใหญ่ที่จริงก็คืออธิปไตยมีอํานาจอํานาจสูงอํานาจใหญ่นี่แหละมันจะเกิดเรื่อยๆอานาจเนี่ยมันจะเมื่อมันเป็นนำหน้านําไปนําไปมันก็จะแหมมันก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นมีแข็งแรงขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นเป็นอธิปไตยเป็นอานาจใหญ่ที่จะ ทำให้เกิดความเจริญลุกไปได้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆอธิปไตยมีสติเพราะงั้นเมื่อคนปฏิบัติธรรมะถูกต้องก็จะเกิดอินทรีย์ขึ้ น, นเรื่อยอินทรีย์มีห้าอะไรบ้างหนึ่งศรัทธาสองวิริยะสามสติสีสมาธิห้าปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะเกิด อินทรีย์เกิดสมาธิเรื่อยขึ้นมาสติก็จะสูงขึ้นไปด้วยสติก็เพิ่มสมาธิก็เพิ่มสัติวปัญญาก็เพิ่มนะสมาธิสติปัญญาวิรนะิยะน่นเป็นแรงช่วยศรัทธาวิริยะศรัทธาคือความเชื่อมัน่นวิริยะสติปัญญาสมาธิสมาสติ ส, สม า, สสม า, สสมาธิปัญญาก็จะเกิดเป็นปฏิสัมพัทธ์กันขึ้นมาเรื่อยๆนําไปเรื่อยๆประมุกนําไปสติก็จะเป็นพลังอํานาจแรงไปเรื่อย ก็ปัญญาก็จะทําอย่างยิ่งละเอียดละ อ, อ ร, รู้ยิ่งรู้จริงรู้ของจริงก็จะเกิดกําลังเสอไม่ทำไปเรื่อยๆสติปัฐานสีก็จะทําไปอีกไปเรื่อยๆอยากให้เกิดสัมมาสติสัมมาอะไรอะไรไปเรื่อยไปสัมมาสัมพทุทธเป็นสติสัมพทุมพทธชงไปเรื่อยๆปัญญาก็ยิ่งท่านเรียกว่าเป็นอุตระปัญญาจะนําไปสู่อุตระหรือปัญญานี่ยเป็นแดนสูงธรรมะของพุทธเนี่ย มีรากฐานอยู่ที่ปัญญาพุทธิหรือพุทธะแปลว่าปัญญาเป็นความรู้รู้จริงๆเห็นจริงๆแจ้งจริงๆนะเสร็จแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นยิ่งมีวิมุติเป็นแก่นผลได้อะไรได้นิพพานได้วิมุติได้ความหลุดพ้นจากโลกีอย่างชัดอย่างเจนไปเรื่อยๆมีวิมุติเป็นแก่นเป็นสาระ ไปแก่นเป็นสาระแล้วเราก็จะเกิดอมตะเป็นที่ยังลงโอคทาเป็นที่ยังลงอมตะเป็นที่ยังลงอมตะนี้หมายความถึงสภาพที่เป็นได้ทั้งตายและไม่ตายถ้าเราจะไปแปลอมตะว่าไม่ตายอมตะแปลว่าไม่ตายพอต่อมาจากอมตะนิพพานแปลว่าอะไร ปริโยศานี่ลบไปแล้วเป็นสุดท้ายนิพานเป็นที่สุดเป็นสุดท้ายเป็นที่สุดนิพานโดยความหมายง่ายๆไม่ต้องยากนิพานแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าตายใช่ไหมเหล่าก็รู้ทั่วไปตื้นๆง่ายๆที่ไหนก็กิเลสตายนิพานคือกิเลสตายสนิท เพราะฉะนั้นอมตะถ้าจะแปลว่าไม่ตายเอ้าวรักกิเลสมันไม่ตายหรเปล่ามันอมตะนะฟังให้ดีกิเลสอมตะนะเดี๋ยวอมตะแปลว่าไม่ตายไม่รู้จักตายอมตะคือสภาพที่ไม่ตายไม่รู้จักตายยุ่งเลสิขัดแย้งกันใหญ่เลยสิทเนี้ยเฮ้ยแล้วอะไรลราไม่ตายอมตะอาตมาคืออธิบายไปตั้งไม่รู้กี่ทีแล้วว่าอมตะมันแปลว่าทั้งตายและไม่ตายเป็นผู้อยู่เหนือความตายและความไม่ตาย อมตะเนี่ยผู้ที่อมตะคืออะไรเป็นผู้ที่อยู่เหนือความตายและไม่ตายจะไม่ตายก็ได้จะตายก็ได้อาอาตมาให้ความหมายไปอย่างนี้ท่านอื่นท่านจะให้ความหมายไปอย่างนั้นคุณก็ฟังท่านไปเถอะไม่เป็นไรอาตมาก็ให้ความหมายอย่างนี้คุณก็ฟังไปแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัตบิพิจารณาอันใดที่มันลงกันได้กับความจริง คุณก็เอาอันนั้นก็แล้วกันท่านแปลว่าอย่างนี้มันไม่เหมือนอาตมาแปลคุณไปปฏิบัติลงอนุนคุณก็เอาอนุนแต่คุณฟังอาตมาไปคุณไปปฏิบัติแล้วมันลงอาตมาอธิบายก็เอาอันนี้ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกต่างคนต่างคิดควเห็นต่างกันได้แต่อะไรเป็นก็ว่ากันไปยิ่งนานาสั่งว่าแล้วยิ่งเห็นต่างกันแล้วเอาเลยใครจะไปเห็นอันใดเป็นธรรมวาทีอะไรเป็นอธรรมวาทีก็ต่างคนต่างใครของใครของมัน ในทะเลาะก็ใครในทะเลาะทุกคนก็ต่างทำทำความจริงยึดถือความจริงเป็นคนละอย่างก็ได้ <c oughs> เอาเราก็คืยึดถือว่าอย่างนั้ น, นก็จริงนะตกลงอันนี้วิมุติเป็นแก่นแล้วก็ทำมาจนกั่งเราเข้าใจวิมุติแล้วเราก็จะรู้อ๋อพูดได้วิมุติของพุทธแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าความตายความไม่ตายเป็นที่อย่างลงอย่างลงนี่หมายคำว่าตกลงคุณก็ได้สภาพนี่แหละ พอคุณได้วิมุตต์บิมุตต์เรื่อยคุณก็จะรู้ว่าโอ้มันหลุดพ้นมาเรื่อยๆความหลุดพ้นนะเขาไม่แปลวิมุตต์ว่าตายนะในภาษาเนี่ยเขาจะแปลว่าหลุดพ้นใช่อหมอนิพพานเขาจะแปลว่าตายใช่ไหมบิมุตต์เนี่ยก็จะไม่แปลว่าตายเขาแปลว่าหลุดพ้นคุณก็หลุดพ้นออกมาจากโลกีแล้วเนี่ยคุณหลุดพ้นออกมาแล้วนี่คุณยังไม่ตายนะอมตะก็ยังไม่ตายนะ ใช่ไหมต้องไปถึงนิพพานถึงจะตายนะเพราะนิพพานแปลว่าตายเพราะงั้นอมตะระหว่างวิมุตติกับอมตะกับนิพพานในละเอียดละสามอันเนี่ยเอาวิมุตต์อมตะนิพพานมาละเอียดเป็นระดับละหลุดพน้นออกมาได้คุณก็เป็นอมตะเพราะฉะนั้นคุณจึงรู้ว่าเออไอ้ความตายคืออะไรคุณหลุดพน้นจากนั้นมาก็เพราะว่าคุณไม่เป็นาธาตุอันนั้นเพราะคุณฆ่าเหตุ ค่าเหตุคือค่าตัวกิเลสกิเลสมันตายดับสนิทเพราะฉะนั้นจะเอานิพานไปเรียกตัวกิเลสว่ากิเลสตายก็ได้กิเลสมันตายดับสนิทแล้วคุณเป็นอรหันต์คุณยังไม่ตายคุณอมะตะนิพานขึ้นไปเป็นตัวอยู่กับวิมุติเพราะกิเลสตายใช่ไหมนิพานแปลว่าตายกิเลสมันตายอยู่ตรงนี้ว่าคุณก็หลุดพ้นจากโลกีมาเพราะกิเลสโลกีตายหมดแล้วตายไม่ฟื้ น, งงนเหมือนนเถอะนะ ตายไม่ฟื้นนะตายไม่ต้องปฏิบัติอีกจบกิตเสร็จไม่ต้องปฏิบัติอีกกิเลส ต, ตายสนิทตายไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วจบกิจเป็นอรหันต์เหมืหอน ก, กันเถอะหลุดพ้นมาจากโรคจริงจริงแล้วคุณก็เป็นอรหันต์ที่ยังมีจิตวิญญาณคุณก็ยังไม่ตายคุณก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นความเป็นโอกทาเป็นที่ยังลงความไม่ตายก็ยังลงที่ตัวคุณความตายก็ยังลงที่ตัวคุณด้วย เป็นที่อย่างลงหมดเพราะอะไรเพราะกิเลสตายก็ยังลงที่จิตคุณความไม่ตายก็จิตของคุณอิสระเสรีจิตอย่างเก่งเลยเพราะฉะนั้นไปที่สุดเลยคุณจะเรียกนิพพานขยายความนิพพานเป็นตัวภาษาสุดยอดของาศาสนาพุทธคุณจะอธิบายยังไงก็ได้ทีนี้อธิบายโดยสภาวะเพราะจะอธิบายนิพพานที่แปลว่าตายก็ตาย จิเลตายไม่ได้แปลว่าเป็นเลยนะจิเลตายแล้วเป็นชีวิตยอยู่เป็นยังไงก็สะอุปาทิเสสานิพานถ้าเขาแยกแล้วอะจิเลสมันตายแล้วแต่เหลือขันระรู้เวทนาสัญญาสัง ข, ขารนิิญญาณถ้าตายเมื่ออนุปาทิเสส า, านิพานธาตุตายเมื่อธาตุอะไนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นว่าอา้าวตายร่างกายตาย รูปธรรมตายเวทธนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณยังไม่ตายแต่ตายแต่รูปประธรรมรูปร่างกายนี่แตกสลายไปกายยะเพทาเวทธนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณยังไม่ยอมตายคุณก็เป็นอัคนุ ป, ปาที่เสสนิพานธาตุได้แต่คุณยังไม่ปรินิพานเข้าใจลึกขึ้นอีกไหมที่อาตมาอธิบายนิพานสลักษณ ะ, ะอุปาทิเสสนิพาน อนุปาทิเศ ส, สนิพานปรินิพานัต่งตางกันเพราะยังไม่ได้ดับรอบยังไม่ไ ด, ดับสิ้นเลยเพราะอนุปาทานีงใช้คำว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุธาตุรูปดับแต่ธาตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ดับ กายแสัพเพทานก็คือรูปแตกสลายกายะเป็นตัวรูปแตกสลายไปแล้วร่างกายแตกสลายร่างกายเป็นรูปนี่แตกไม่เหลือตายเวทนาสัญญาสังขารมันยางยังไม่ดับรอบยังไม่ดับรอบจนกว่าคุณจะดับหมดเลยไม่ทําสันตติไม่ต่อจิตไม่ต่ออะไรอีกพระอรหันต์มีสิทธิจะดับรอบหมดปณิธานจบที่นี้ ไม่มีอะไรเหมือนพระเจ้าตัดว่าเราชาติสุดท้ายแล้วเหมือนเราพวงมะม่วงที่ขาจากขั้วตกลงมาแต่กระจายคุณจะไม่เห็นพวงมะม่วงนี้อีกในรูปของมันอีกเลยมันเอากลับขึ้นมาเหมือนเดิมอีกไม่ได้แล้วไม่มีจะไม่เห็นรูปนี้อีกไม่ว่าทั้งรูปและนามในที่ใดๆขณัติว่าจะชัดไปอย่างนั้นเลยไม่เห็นทั้งรูปและนามของเราอีกณนะที่ใดๆโลกไหนๆก็ไม่มี นั่นคือปารินิพานเป็นชาติสุดท้ายต้องชัดเจนครบรอบหมดถ้าไม่เช่นนั้ น, น, นมันก็คลุมคุมเคลือเือมันก็ไม่ละเอียดนะเพราะงั้นอาตมาถึงเจาะลึกฝึกธรรมะเจาะลึกให้ละเอียดละเอียดให้ฟังเลยนี่คื อ, อมูลสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในคำนิพานเป็นที่สุดท้ายเพระาะฉะนั้นคนจะนิพานเป็นที่สุดท้ายอย่างแยกนิพานให้ฟังว่าจะสะอุปานิเสสานิพานเมื่อเป็นนุปนิพานจริงๆแล้ว จบกิจจริงสาุปฏิเสสันิพัน์ก็ไม่มาไม่ว่ากันจะอนุปาฏิเสสนิพันก็ยังมีนัยยะที่อธิบายได้มีนัยยะสำคัญที่จะต้องศึกษาส่วนปรินิพันนั้นก็ถือว่าจบหมดทวน่นรอบแล้วปริไปว่ารอบไม่เหลืออะไรอีกก็เป็นอันสิ้นสุดทุกอย่างนะมันจะเห็นได้จะเห็นได้ว่ามานาสิการคำเดียวสัมพันธ์กันมานะเป็น ความสำคัญมากที่อาตมากล่าวถึงสมาธิที่จะต้องประกอบไปด้วยผู้ที่มีปริโตโคสะก็ดีโยนิโสมนาสิการก็ดีก็จะเป็นผู้ที่สมาธิถิถ้าไม่มีปริโตโคสะไม่ฟังคนอื่นบ้างเพราะ ง, งั้นคนที่รู้อยู่ทั่วประเทศขณะ น, นี้เป็นนักรู้เป็นผู้รู้ทางธรรมะนี่เยอะ ไม่รับฟังของใครแล้วของข้าคนเดียวและข้าเป็นเจ้าสํานักด้วยใหญ่ด้วยไม่ฟังคนอื่นอีกแล้วก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าอันนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คุณก็ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่เท่าเดิมคุณจะใหญ่ยังไงเออมิชาทิฏฐิคุณไม่มีปรตโตโคสะคุณก็สมาธิไม่ได้เห็นไหมว่าข้อไม่ฟังคนอื่นปรตโตโคสะคุณก็จะมิชาทิฏฐิอ ย, อ, ยอย่างเดิม คุณสมาธิติดก็แล้วไปเถอะพอสมาธิติดแล้วแน่นอนคนนะั้นจะโยนิโสโณมนานสิการเป็นและคนที่สมาธิติดจริงๆยิง่งมีมัง่งมีผลจะฟังคนอื่นฟังแล้วเอามาพิจารณาตรวจสอบถ้ามันลงกันถ้ามันถูกต้องตรงกันมันลงกันหมดแหละไอ้ที่ไม่ตรงกันไม่ลงกันมันก็จะขัดกันไปอยู่อย่างนั้นแหละอ่า เพราะทะนนผู้ใดไม่ฟังใครคนอื่นนี่เป็นอัตตาสําคัญมากเลยมันถือตัวถือตนถือความรู้ถือดีเป็นอรูปอัตตาของฉันฉันความรู้ของฉันของคนอื่นเข้าไม่ไม่ได้แทรกไม่ได้เลยของฉันฉันยึดมั่นถือมั่นของฉันต้องอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้จนกว่าคุณจะถึงความจริงที่จริงที่สุดแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็จะดูความค้นเห็นของคนอื่นความรู้ของคนคุณก็เอามาเรียนรู้ได้และคุณก็เอามาพิสูจน์ เอามาเปรียบเทียบได้ก็คุณจะรู้สองส่วนเสมอเพราะอาตมาว่าอย่างที่ท่านพูดกันอย่างที่ท่านาสำนักนั้นสำนักนีอ้อธิบายกันอาตมาว่าอาตมารู้อาตมาได้นะอย่างที่ท่านเป็นสองส่วนแล้วอาตมาก็ชัดเจนว่าสองอันไหนมันดีกันถูกกันไม่ว่าจะอย่างฤาษีอย่างมหายาน ที่มีแนวคิดคิดอะไรปะะไปเยอะเถอะๆไปแม้จะจะบอกว่ามีพุทธเกษตรมีอะไรต่างๆนาน า, นาสารพัดมีสถานที่อยู่อีกปรินิพานนิพานแล้วก็ยังมีสถานที่มีอะไรเป็นอัตตาบอกนิพานเป็นอัตตาอัตมาอัตมาเข้าใจเรามีทั้งสองอย่างนี่แหละรู้ได้ทำทำได้ทั้งสองอย่างเนี่ยแม่ก็เอามายืนยันกันดูอะไรที่สอดคล้องคําสองรู้จ้าก็ อ, อันนั้นก็ถูกต้อง หรือเอาความจริงที่เรามีสภาวะวิมุติรสอย่างไรความไม่มีตัวตนอย่างไรความดับสนิทของกิเลสอย่างไรอารมณ์ที่มันเป็นอุเบกขาเนคขมาสิตาอุเบกขาเป็นอย่างไรเคหัสิตาอุเบกขาเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรมันจะมีสภาวะที่เราเช็คได้เลยตามหลักทฤษฎีของมุตเจ้ายานส6บหเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมันเช็คได้ มียาทั้งสินี่โอ้มันเป็นสภาพมาอย่างนี้เองเป็นหมดเป็นหมู่เป็นเรียงําบับเป็นสภาวะที่สัมพันธ์กันอย่างงี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ถึงขั้นนี้จบอย่างนี้มันลงตัวอย่างงี้มันจะชัดเจนมันไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาเท่า น, นั้นมันจะมีสภาวะที่โอ้โหจริงจริงเนีภาษาไทยเนี่ขยายกันหมดนะจริงจริงจริมันจริงจริง <laughs> มันหยอดเยี่ยมน ะ, ะวันนี้อาจมาได้ขยายความถึงสภาพพวกนี้มาเอาที่นี้กลับมาขยายไปถึงอวิชาสูตรด้วยขยายไปถึงมูลสูตรด้วยมูลสูตรสิบประการนี้ด้วยแล้วย้อนกลับมาที่นี้สำคัญมากทิฏฐิสิบสำคัญมากทิฏฐิย้อนกลับมาที่ทิฏฐิสอีกทีหนึ่งอ่ อาตมาขึ้นต้นไปแล้วผู้ที่ฟังไปแล้วทิทีิสิบถ้าผู้ใดไม่เข้าใจสภาบาขอังทิ่ิสิบนะอาจจะแช่ไว้ที่จริงน่าจะมีตัวหนังสือเป็นตัวหนังสืที่เคยมีนะยาวกว่านี้ของทิ่ิสิบเนี่ยขึ้นจอเป็นท็อปโป้ยที่ท่านมีตัวพิมพ์ดีๆเนี่ยนะขึ้นมาไว้ก็ให้ดูทางบ้านด้วยก็จะดีอาตมาพูดไปพูดไปแล้วก็ทั้งทิฏิสิบ เนี่ยอยู่ใน powerpoint อันนี้มันลายมือเขียนเป็นทิวเป็นแถวเราหลายหอย่างมันก็ไม่ันก็จะอันนี้ถ้ามีถ้ามีแม่ไม่รู้นัดตอนนี้ก็ไม่ได้เตรียมไว้อัตมาขาบกพร่องไปนิดหนึ่งไม่ได้เตรียมให้ท่านเตรียมมาคือไม่แน่ใจไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมันงานมันเยอะมันไม่ได้พูดตรงๆพอสารภาพว่าอัตมาไม่ได้เตรียมการสอนองคเนี้อย่าบอกใครนะอัตมาไม่ได้เตรียมการสอนองคนี้ไม่ได้เตรียมสอนสดนะสอนสดทุกอย่างเห็นได้ไม่ได้เอาอะไรมา เอามานี่ไม่ใช่อะไรล่อง น, นี่เป็นบทความจะเรียกว่าบทความก็ได้จะเรียกว่าเรื่องสั้นก็ได้อัตมาจะเขียนไปลงหนังสืองานศพของคุณสุวัตรวารเดรกเขากําลังเก็บเก็บกันอยู่ก็เลยเ อ, อ้าวอัตมาเขียนไปบ้างอัตมาก็เลยเขียนเป็นอะไรนี่ถือมาแค่นั้นเองถือเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้ปลุกแล้วก็เลยถือปลุกนี่มาดูเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมาเลยเนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้สอนเรื่องนี้เลย เพราะเรื่องนี้เป็นบทความนี่จะเรียกว่าเรื่องสั้นก็นได้เพราะว่าเป็นเรื่องคุณเขียนว่ารําลึกวันอันมีพิอุษว่างั้นคือสวัสดิ์เขเรียกเขาชื่ออุษอาตมาเรียกเขาแต่เป็นฆรวาสมาก็เรียกพิอุษก็ลงไปถ้าเขาจะลงไม่ลงก็ไม่ว่าอะไรก็คือเขียนเสร็จก็เลยถือติดมือมาไม่ได้เตรียมการสอนเลย นะก็คือกระหอบมาได้ซ้าไปดอนทานเนี่พอดีมีมีแขกที่ไม่มีหนวดมาหาก็เลยคุยกันกับแขกออมีเรื่องมีราวต้องโอภาปรสาสัยกันจนสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็ลงมานะก็พูดไปงั้นนะที่จริงมันก็เสียเวลานะมันก็บอกไปให้รู้เท่านั้นเองนะก็เข้าใจนะเอาทีนี้ก่อนจะต่อที่ทิศสิบนี่มีคนเขียนอ่นะ อะไรถามขึ้นมาแทรกตรงนี้อัตมาก็เหลือบดูแล้วก็เกี่ยวข้องกับอันนี้บ้างถามมาว่าสมาธิติบวกสมาสติและสมาวายามะสมาธิติเป็นประธานนี่ก็เขียนว่าสมาธิติบวกสมาสติและสมาวายามะมีสมาสติกับสมาวายามะห้อมล้อมจะอยู่ในสังกัปปะ อาชีววาจากรรมมันตะจนกว่าจะขัดเกลากรรมสามให้มันลุทถึงขั้นสูงสุดใช่ไหมค ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นความความเข้าใจที่เอาอพวกคำอธิบายหัวข้ออุทเทศต่างๆพวกนี้ที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วเอามาอเอ า, เอ า, เ, อาเอามาถามโดยเข้าใจสภาวะปฏิสัมพันธ์ ปฏิสัมพัทธ์ของของสภาวะพวกนี้เช่นสมาธิิสมาสติสมาวายามะย่อมรวมกันห้อมล้อมช่วยงานกันอยู่แล้วเสร็จแล้วจะอยู่ในสังกปะอยู่ในอาชีวะที่จริงเรียงลําดับมันน่าจะเรียงให้มันเข้าท่าหน่อยเอาสังกปะวาจากรรมัตะอาชีวะเนี่ยเอาอาชีวะคือมาติดกิดสังกปะกันเลยอันนี้เป็นหรไม่เป็นไรน่าจะเรียงผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเรียงไม่เข้าลําดับนิดหน่อยมันก็ไม่ผิดหรอก ก็จนกว่าจะขัดเกลากมสามเอาคำว่ากมสามมาผสมกำสามน่รวิชาสูตรกสามนวิชาสูตรเนี่ยกำสามมันมีทุจริตก็สุจริตเป็นกรรมสุจริตสามสุจริตสามก็คือกรกมที่สุจริตสามกมรรที่ทุจริตรรสามมีกมสาม ทุจริตกรรมทางกายทุจริตกรรมทางวาจาทุจริตกรรมทางใจจนกระทั่งทําให้เกิดสุดจริตกรรมทางกายสุจริตกรรมทางวาจาสุจริตกรรมทางกายได้น่าได้บอกว่าจะขัดเกลีจนกว่าจะขัดเกลียกรกรมสามให้มารู้ถึงขั้นสูงสุดใช่ไหมใช่เอาย้อนทางงี้ก็อธิบายซ้ำตรงนี้อีกเมื่อกี้นี้อธิบายมาถึงอยู่ในสมนัติการนาในอวิชชาสูตร พอทำไว้ในใจแ ย, ยบคายได้อ่าท่านบอกว่ามีอะไรเป็นอาหารจะทำใจจะแยบคายได้ทาใจไว้ในทำใจในใจจะแยบคายได้ก็เพราะมีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารเพรา ะ, ะนั้นคุณทำใจในใจเป็นเมื่อคุณทำใจในใจเป็นโยนิสมานสิการเป็นเวลาปฏิบัติคุณก็จะต้องปฏิบัติสติ สติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะไปปฏิบัติเป็นสติปัฏฐานและคุณก็จะต้องทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิขออภัยให้เกิดสัมมาทั้งนั้นแหละให้เกิดสัมมาทุกอย่างให้เกิดสัมมาสังกัปปะให้เกิดสัมมาวาจาให้เกิดสัมมากรรมตะให้เกิดสัมมาอาชีวะเมื่อเกิดสัมมาอย่างนี้ ทั้งนั้นทั้งนั้นน่ะในทั้งสังกปะในทั้งวาจาในทั้งกรรมตาในทั้งอาชีวะบางทีคุณอาจจะสมาอันหนึ่งไม่สมาอันหนึ่งก็ตามแต่ถ้าคุณทําได้ทั้งสทั้งที่ถามมาเนี่ยก็เท่ากับคุณได้ทําเพราะในสังกปะวาจากรรมตะนั้นก็คือการจัดการกับกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมคุณจัดการกับกรรมสามเพราะนี้นะคุณทําให้สังกปะ สุจริตหรือเป็นสัมมาละมิจฉาละทุจริตหรือละอกุศลในสังกปะหรือคุณทำวาจาได้เท่านั้นแต่สังกปะยังสังวรยังขมยังอะไรอยู่แต่ว่าสามารถที่จะคุมได้แต่ก็ใจยังไม่นะแต่ได้แต่ภายนอกได้แต่กายได้แต่วจัจจีได้แต่กายกรรมวจจีกรรมแต่มโนยังไม่ได้ก็ได้ ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ตัวว่าเออมันได้แต่กายได้แต่วาจากรรมยังไอสังกปะยังไม่ได้ใจยังไม่ได้สังกปะนะการมมวิตกหรือกรรมสังกปะหรือว่าพยาบาทวิตกพยาบาทสังกปะหรือวิหิงสาวิตกวิหิงสาสังกปะก็าตามคุณยังจัดการมันลงเป็นสัมมาไม่ได้คุณได้แต่อันนอกได้แต่กายกรรมหรือวจีกรรมหรือได้กรรมข้างนอกที่ประกอบไปทาง อาชีวะทางการอาชีพการงานคุณก็ทำได้ดีอาชีพอาชีวะได้ดเมมีเป็นสัมมาเป็นสัมาแต่ใจคุณยังไม่ได้ลใจคุณยังกามยังอยากได้มากอยู่ดีไม่ดีก็ยังจองเวรจองกรรมเขาอยู่แห้ข่าวนี้มันไม่ได้สิบล้านเอามันอีกใครได้เอามันได้อีกใคได้บวพยาบาทจองเวรจองกรรมกันอยู่นั่นแหละในอาชีพนี้ทำไมมันไม่ได้นะมอเอามันใหม่ คุก็พุทธะุทธอะไรไปก็แล้วแต่ว่ากันไปนั่นคือรายละเอียดของสังกปะวาจากรรมมันตะอาชีวะก็คือกรรมสามนั่นถูกแล้วขัดเรากิเลสให้ต่างๆทั้งกรรมสามทั้งอาชีพด้วยกรรมมันตาคือกรรมสามอาจามาก็เคยย้ำให้ฟังเลยว่าสังกปะก็ใช่สังกัปปคือใจวาจาคือก็คือวาจาคือวจีวาจา ส่วนกายกรรมนั้นมันรวมอยู่ในกรรมมันตะด้วยและรวมทั้งวจีและมโนโด้วยกรมมันตะเนี่ยไม่ได้บอกว่ากายสังกปะก็คือความนึกคิดเป็นองค์ของความรู้ทั้งหมดซึ่งมีองค์ทำถึงเจประการในในกรรมมันตะเขาเข้าในสังกัปป ะ, ะมีตั้งแต่ตกักระวิตกะสังกป ะ, อ, ะอัปปนาพยัปปนาเจตสโซพินิโรปนา วจีสังขารานี่คือองค์ธรรมที่อาตมาอธิบายไปหมดแล้วจะต้องรู้ว่าอาการขอ ง, งวจีสังขารามาถึงขั้นไหนอั ป, ปนามันคืออะไรเป็นอั ป, ปนาสมาธินะพย ป, ปนาเจตโสภินโรปนาซึ่งเป็นคุณลักษณะของอั ป, ปนานั่นแหละของจิตที่แน่วแน่ตั้งมั่นนั่นแหละมันตั้งมัน่นมันปักมัน่นอั ป, ปนาพย ป, ปนาเนี่ยแน่วแน่แนบนั่นแน่วแน่แนแนปักมัน่นมันคือคุณภาพของจิตที่แข็งแรงที่ แน่วแน่แน่แ น, นอะไรคึไนมาอีกไปอีกเยอะแยะส่วนปากกวิจักษสังกัปปนั่นคือมันมีดํมเบนึกคิดมันปรุงมันแต่งมันอะไรอยู่คุณก็อ่านในนั้นใน ห, หมดเลยเอากิเลสออกกิเลสออกอมันมีมิจฉาอย่างไงละ่ะมิจฉาในกามมิจฉาในพยาบาทมิจฉาในวิหิงสาอะไรก็ตัว อ, อาการมันแล้วก็ลดมันจงกระทั้งอากากรกามไปบาทหรือวิหิงสามันไม่มี แล้วมันก็จะส่งผลมาถึงกายถึงวาจาข้างนอกถึงอาชีวะข้างนอกเพราะฉะนั้นสุดจริตมันจะเกิดหมดทั้งกายวาจาใจเป็นสุจริตสามก็ถูกนะเกิดจากการมีสติสัปพัญญาแล้วก็เกิดเมื่อคุณสํารวมอินทรีย์สํารวมทั้งนอกด้วยอินทรีย์อินทรีย์หตาหูจมูกดินกายใจสํารวมอินทรีย์ทั้งหปฏิบัติแล้วมันจะก่อเป็นทวารเป็นทางเกิดทางที่จะมันจะเกิดกิเลสใช่ไหมคุณก็จะ สํรวมมันได้จากมันมาจากผัสสะมีอายตนะมีผัสสะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดแล้วก็จะสามารถปฏิบัติสติปัฏฐานสเป็นโพชงเจ็ดเป็นโพชงเจ็ดก็คือเมื่อปฏิบัติได้ดีมีสติปัฏฐานได้มาเรื่อยเื่อยสติปัฏฐานนั้นมันก็จะเกิดผลเป็น สติสัมโพชฌงมันจะเกิดผลเป็นสติสัมโพชฌงค์คือสติที่พาไปสู่การตรัสรู้สติที่พาไปสู่การเจริญไปสู่อริยะบุคคลไปสู่โลกุตระตรัสรู้นี่เป็นการรู้มันจะสติก็พาไปสัมโพชฌง์มันมีอยู่เจ็ดธรรมวิจัยสัมโพชฌงมันก็จะเกิดเป็นธรรมวิจัยแบบพาไปสู่โลกุตระพาไปสู่อริยะ ใชวิริยะสัมโพชงความเพียร น, นั้นเป็นความเพียรที่ปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกุตระไปสู่อริยบุคคลไม่ใช่ความเพียรเพื่อไปหาเห็ดไปเก็บเห็ดไปปลูกผักไปขุดเพชรขุดทองจากซาอุดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้น แต่เป็นความเพียรที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นความเพียรที่สู่การตรัสรู้จึงเรียกว่าวิริยะสัมโพชงวิริยะอันนี้เป็นวิทยะที่อืติดป้ายมาโหฬารเลยนะเป็นวิริยะที่พาไปสู่นิพพานพาไปสู่การตรัสรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าพาไปสู่ความเจริญทางจิตวิญญาณทางปรมาจา์ซึ่งเป็นวิริยะไม่ใช่ของธรรมนาไม่ใช่ภาคเพียรไปทําอะไรก็ไม่รู้ ทางโลกโลกโล ก, กีฉะนั้นผ่าเพียนไปจีบหญิงผาาเพียนไปหาเงินผาาเพียนไปอะไรก็ทางโลกโลกโล ก, กีเป็นล่าลาบยศเสริญโล ก, กีสุอะไรอยู่มันไม่ใช่เพียนพวกนั้นอ่าจึงชื่อว่าวิริยะสัมโพชงมีคำว่าสัมโพชงกำกับไม่ใช่วิริยะอะไรมาอธิบายได้ใดไปโพชงจะอธิบายกันายสตีมีธรรมวิจัย มีวิริยะอ่าแล้วมันเข้ากรอบเข้ า, เาตัวที่สําคัญอย่างไรบ้างแค่ไหนอธิบายให้มันชัดๆหน่อยสิค่อยไม่ค่อยอธิบายกันอ่าหรืออธิบายกันไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะต้องชัดเจนมีสติเมื่อเราละนิวรณ์ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นอนนันนี้เนี่ยมาแทนที่อวิชชาถ้ามีอวิชชามีทุจริต3มีนิวรณ์หเป็นอาหารแล้วก็มีวิชาขึ้นไปเรื่อยๆนิวรณ์หเป็นอาหารทุจริต สตสิสติประธานสี่กับโพชงเจ็ดใช่ั้มมาแทนนีบวชน่าอ่าเพราะงั้นเมื่อมีสติประธานสี่ชกโพชงเจ็ดมันก็จะหมดอวิชามันก็จะเกิดวิชาวิมุตเป็นตัวที่สุดจะเกิดวิชาวิมุตเพราะมันเกิดตัวนี้เมื่อเกิดสติประธานสี่สติประธานสี่เป็นส ม, มาปฏิบัติถูกโพชงก็เป็นโพชงเจ็ดสติก็เป็นสัมโพชง ทำวิจัยก็เป็นสัมโพชงวิริยะก็เป็นสัมโพชงเพราะฉะนั้นแม้ปิติโพชงตัวที่สี่ก็เป็นปิติสัมโพชงไม่ใช่ไปดีใจเพราะไปโอ้โหไปคนเพชรได้ไปทํากิจการนี้กำไรห้าร้อล้านโอ้โหปิติดีใจใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีใจเพราะไปได้โลกธรรมแต่ดีใจเพราะละกิเลสได้สําเร็จลดกิเลสได้จริงปิติจึงเป็นคนละตัวกัน ปิติกับคนละเรื่องอันนึ่งมาเรื่องโลกีอันหนึ่งมาเรื่องโลกุตระปิติเพรมันมีญาณรู้ด้วยว่ามันปิติถูกต้องเป็นปิติสำโพธชองเป็นปิติในทางตัดสรุ้คุณรู้ว่าปิติของคุณนี่มาเกิดอาการยินดียินดีอะไรมันยินดีเพราะเราลดกิเลนได้เห็นเลยว่ามันมีความเห็นกรรมการคลายการลดกิเลนหรือดับหรืออะไรกันแล้วแต่มันมีสภาวะรองรับ ยิงทำได้ถึงขั้นสงบปัจสัท ธ, ธิสัมโพชงแม่ปีติมันเป็นอุปกรณ์ในยะหนึ่งเหมือนกันมันก็ไม่มีแม่ปีติที่เป็นอุปกิรล์อีกด้วยปัจสัท ธ, ธิสงบสงบปเป็นสัมโพชงสูงขึ้นไปลึกซึ้งขึ้นไปอีกสั่งส ม, มเป็นสมาธิสัมโพชงเป็นสมาธิแบบตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิแบบโพธิ โพชงหรือโพธิตัวเดียวกันเป็นความตัดสรุปเหมือนกันเพระเจนัสมาธิอันนี้ไม่ใช่สมาธิสามัญไม่ใช่สมาธิลกเป็นสมาธิสัมโพชงเป็นสมาธิโพธิเป็นสมาธิที่เป็นองค์แห่งการตรัดสรุปเป็นสมาธิที่ไปสู่นิพพานเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอ่าเป็นสัมมาสมาธิ สุดท้ายเป็นอุเบกขาสัมโพธชงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจเวทนาในเวทนาแยกอุกเบกขาสัมโพธชง์หรือเออุแยกอุกเบกขาที่เป็นเนกขมสิตอุเบกขากับเคหสิตอุเบกขาที่เป็นเวทนา18ก็มีเคหสิตะเวทอุเบกขาเวทนาเป็นตัวหนึ่งใน18 อีกหมวดหนึ่งเนคขมัสิตาอุเบคาก็มีอยู่ในอีกหมวด18หนึ่งเราก็จะรู้ความต่างกันมีลิงคะลิงคะความแตกต่างกันนามรูปของอุเบคานามรูปของอุเบขาที่เป็นเคหัสิตาอุเบขากับนามรูปของเนขมัสิตะอุเบขามีลิงคะต่างกันอย่างรู้แจ้งเห็นจริงมีญาทณทัศนวิเศษมีวิชา รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่ามันต่างกันอแต่ก่อนนั้นเราเคยมีเดี๋ยวนี้เราไม่มีแล้วเราก็ยังจำได้อยู่แต่ก่อนนี้มีอย่างนั้นบ้างมีอย่างนี้บ้างเทียบกันได้เลยว่าโอ้โหวันนี้มันยังมีเคหสิตาอุเบขาเท่านั้นไม้วันนี้ธํามอุเบขาเป็นเนคมาสิตาอุเบขาได้มันใะเห็นความต่างกันด้วยของจริงวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เลย เป็นของจริงอุเบกขาสัมโพธชงเป็นตัวสุดท้ายก็เพราะว่าอุเบกขาตัว น, นี้เป็นอกอุเบกขาของความตรัสรู้อุเบกขาโพธิไม่ใช่อุเบกขาเคหัสิตาอุเบกขาอุเบกขาโล ก, กีแต่เป็นอุเบกขาโลกุตระเป็นฐานนิพพานเพราะเป็นความเป็นกลางแล้วอัตุ ข, ขมสุขมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วอ่านออกเลยว่าสุขแต่ก่อนอย่างโลกโลกเราเคยสุขมีรถมีอัศทะสุข ทุกเราก็เคยทุกเพราะมันมันพาเราทุกมาหัวปัน่นหัวปักหัวปำ ม, มาโอ้โหโอไอเจ้านี่เอ้ยตอกเกลียตัวนี้เอ้ยหัวเราะทำไมสะใจตัวเองใช่ไหมมันแต่ก่อนมันงโง่เนะ้อเดี๋ยวนี้ก็ยังโง่อยู่ <laughs> <laughs> พอยังทำไม่ออกยังทำไม่ได้ทั้งหมด <laughs> อ้ามีโทรศรัพท์มาออกสดสด คิดว่านะหรือว่าอะไรแจ้งมีไหมมีโทรศัพท์สดๆมามืมมมองไหมเนอผู้แจ้งรับชมทางบ้านหนึ่งจากจังหวัดกาลสินสองนครสวร ร, รคร์ 3. ชนบุรีสนครนายกหปทุมธานี 6. แพร่ 7. ชนบุรีแกำแพงเพชร 9. ชนบุรีอ้าวทำไมชนบุรีมีสองชนอ่ะ 10. แพร่ 11. ภูเก็ต ส2องนนบุรี1ิบาชัยภูมิส4บชัยนาทโอ้โหมีต่างประเทศไม่เอ่ยชัยนาทแล้วชัยนาทไม่ได้ยังไงถ้าชัยนาทนี่สระไอชอช้างแล้วก็นอนูสละอาอาทอทหารก็เรียกว่าชัยนาทคุณก็ไปชัยมันสิแต่ชัยนาทนี่มันชัดั้ม <laughs> เอาถอว่าเป็นไรอาตมาก็ยั่งย่งไปงั้นแหละ <c oughs> จะถ่ายทอดถึงเวลาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีจะตัดสัญญาณเพื่อถ่ายทอดข่าวพระราชาสำนักนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเวลามายได้เราจะเลยได้แต่เขาไม่ให้ออกอากาศ <c oughs> เขาจะตัดข่าวข่าวพระราชาสำนักในเวลาสิบเก้านาฬิกา ห้าสิบห้านาทีไม่เป็นไรบอรเซียงกังเนฟมาลไม่เป็นไร <c oughs> ได้นะแม่เล่นภาษาต่างดาวสองภาษาเลยเนา ะ, อะบอเซียงกังนะไม่เป็นไรฮนะภาษาจะจิวก็เตจิวสิก็เป็นภาษาจะจิวก็ทำไมล่ะก็ไม่ได้งไง น่าก็อาตามาก็รู้บ้างแหมลิทนลิทนนะรู้บังก็พูดบางผสมประสานนะก็มีผู้นึกว่ามีผู้ที่วิจารณ์ผู้โทรศัพท์วิจาร์อย่างง้นอย่างนี้มานี่บอกแต่ผู้ได้รับเท่านั้นผู้เปิดดูอยู่อ้าก็เอาล่ะก็ไม่เป็นไรก็บอกเช็คเรตติ้งนิดหน่อยอ้าวทีนี้ก็มาต่อจะเหลือเวลาอีกประมาณอีกเจนาทีเองหก น, นาทีเจ็ดนาที แต่นาฬิกาสองเรือนนี่ไม่ตรงกันชั้งสองเรือนเอานาฬิกาอัตมาดีกว่าอของอาตมานี่19บเก้าส48สิบแตรงกันกับเดือนนี้ใช้ได้ก็เหลือเวลาอีกแค่48ก็เหลืออีกแค่เจนาที6นาทีเจนาทีอ้าวหกนาทีเจนาทีก็ขอสรุปก็ขอสรุปที่จริงจะอธิบายอันนี้ไปอีกมันไม่ได้แล้ว จะอธิบายซ้อนอัตมาอธิบายนีละเอียดมาพอสมควรผลกรรมโลกนี้โลกหน้าที่จริงมันก็ไม่ยากนะถ้าสมมตว่าเข้าใจตัวหลักพวกนี้ได้แล้วเพราะการปฏิบัตินมีกรรมก็ตามมีตรงนี้มันต่อกรรมตรงนี้น่มาต่อกมต่างๆเนี่ยมาปฏิบัติบวงปฏิบัติยันยัพิธีบวงสวงจนเกิดผลได้ให้แล้วนได้ให้แล้วทางกายทางวัตถุให้วัตถุแล้วใจเป็นยังไง จอกะตั้งถึงการกระทํามันมีบทบาทมันมีเรื่องราวมันมีพิธีกรรมยันดีพิธีมีพิธีกรรมต่างๆพิธีเล็กพิธีน้อยพิธีอย่างเรียนนี้ก็ตามพิธีที่ไปปฏิบัติอย่างงี้แล้วเราก็ได้ล้างกิเลสได้ละกิเลสได้ออกกิเลสไม่ได้ให้ไม่ได้ทานออกไหมทานวัตถุทานนามธรรมจอกะทั่งถึงผลจิตวิญญาณบ่งสวงนี่คือจิตรับผลจิตสังเวยผลจิตเสวยผลจิตได้เสวยผลลงภุตระผลบ้างไหม ถ้าเราจิตเอาสเสวยผลเราก็เห็นไม่แต่เป็นบูชาทั้งเวยก็จะเจา้าเจ้าสีกุยมากินก็ไม่รู้เศียนมากินก็ไม่รู้นะบูชาแต่เจ้าและเจ้าสังเวยแล้วไม่รู้เจ้าสังเวยหรือเปล่าจิตสังเวรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าได้สังเวรเจ้าแล้วอันนั้นก็ภาษาตื้นๆภาษาห ย, ยาบๆไม่เข้าใจทั้งลึก เพราะนั้นจิตวิญญาณที่เป็นจิตเบย์ผลสังเวยและได้รับผลไม่มียันย์นพิธีมีพิธีการมีการกระทําแบบนี้มีองค์ประกอบของการกระทําแบบนี้แล้วก็เกิดผลสังเวยผลจิตที่สังเวยจิตสังเวยแล้วมีผลสังเวยบวงสวงแล้วมีผลเขาแปลเป็นภาษาโดยพระยัญชนะไม่ได้เข้าใจสภาวะเท่าไหร่แต่มาก็มาขยายสภาวะหน่อยเกิดจักรกรรมพลกรรม เกิดจากการปฏิบัินี่แหละกรรมสามโดยกระทั่งจิงถึงจิตสังสมเป็นวิบากกายก็ได้บางทีกายกรรมมีผลได้ทานอย่างอธิบายไปแล้วผลทานของคุณทานเงินไปห้าร้อยบาทก็เป็นผลโลกีแล้วจะใจคุณน่ะเป็นผลทางโลกุตระหรือโลกีหรือลบให้ห้าร้อยจะเอาห้าล้านตั้งจิจริงๆเลยนะ มือนี่ให้กายให้วจีบอกว่อาอ้าวให้ไปห้าร้อยใจใจจะเอาห้าล้านใจมันเกิจ ร, เ จ, จริงเลยนะตั้งจิตจริงเลยนะจิตมันเกิดมนโนกรรมที่จริงด้วยอย่างนี้เป็นต้นคุณไม่ได้ทานจริงหรอกคุณทานแต่มือโลกียหผลมีโล ก, กียหผลที่คุณทานวัตถุห้ารห้าร้อยแต่โลกุตระผลไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผลกรรมที่เป็นวิบากคุณมีวิบากโลกีด้วย โลกีคุณได้ห้ารอแต่โลกุตระทางทา ง, ทาง อ, าอาริยทางปรมัตลผลทางปรมัตขาดทุนยับเยินเลยโอ้โหโไปตั้งตั้งห้าล้านให้ไปห้ารอยบาทตั้งขี้โลภความโลภเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งสี่ล้านมากกว่ามากกว่าที่ให้ทานไปสี่ล้าน 9 9 9 9แ0ไม่ใช่อ่าสี0เอ้ออย500ขาดทุนยับเยินเลยา อ, อย่างนี้เป็นต้นพลกรรมพลวิบากที่ทำสุกตะทุกตานังคุณจะทำสุทำทุได้แต่เป็นสุแล้วเป็นทุย่อมแยกสุแยกทุออกได้ละเอียด เป็นทุจริตหรือสุจริตแม้อตาตมาไปชี้สุวัถุสุจริตหรือทุจริตทุนผิดสุทุดเดรียสุน่ะดีจริตที่ดีจริตของมโนจริตของกาจริตของวาจาก็แล้วแต่เพรา ะ, ะนั้นเมื่อเกิดผลในนี้แล้วมันจึงจะลงไปสู่โลกนี้โลกหน้ามันจะละโลกนี้ได้ไหมโลกโล ก, กีเนี่ย ละามาเป็นโลกหน้าได้ไหมเข้าใจแยกวิเคราะห์ออกไหมว่าอาการทางจิตของคุณนี่ได้ขึ้นมาสู่โลกนี้หรือยังโลกหน้าหรือยังโลกนี้โลกห น, น้าแล้วคุณให้ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะมีองค์ประกอบของความเป็นแม่ความเป็นพ่อทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่อัตมาอธิบายไปทั้งลีลาอิทธิภาวะปุริสภาวะนะอิทธิภาวะปุริสภาวะซึ่งก่อให้เกิด แต่ล่อมไม่สามารถขัดการ์สามารถช่วยทั้งลีลาทั้งบทบัญญัติทั้งศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออะไรก็ตามทั้งในหลักสูตรต่างๆเกณฑ์ต่าง ๆ, ก, างๆกฎต่างๆแม้แต่ลีลาของเพื่อนลีลาของคนนี้โอโหหนักแต่สั้นแต่เป็นแบบปริสภาวะลีลาของคนนี้อ่อนๆแอนแเงี้ยเงเงีเหมือนกับผู้หญิง แม่เป็นลักษณะแต่มันก็ทำให้คนนั้นเขาได้เหมือนกันน้ำหนักของเรือสภาพผลิตเป็นองค์ประกอบต่างอย่างนานาถ้าว่าเพศทางพระไพ่เพศผู้เพศเมียนั้นฝรั่งเศสเขานี่โอ้โหคนแยกเพศแยกผู้แยกเมียออกเยอะเลยอิดภาวะเพศผู้เพศเมียมากไทยไียังเรียนน้อยแยกน้อยเพราะฉะถ้าเราเข้าใจเพศที่ต่างกันพวกนี้ลักษณะที่ต่างกันพวกนี้อ่า เขาแยกอะไรจานเป็นเพศผัวเพศเป็นพี่ภู่แะเพศเมียช้อนเป็นเพศผู้และเพศ เ, เ, เ, เมียไข่ฝ ร, รั่งเศสไม่มีเศษฝรั่งเลยมีแต่ไทยฝรั่งเศสไม่มีเลยวันนี้แต่ดินไม่มาด้วย νο? เนาะเต่ดินฝรั่งเศสนี่พอได้เขาแยกเพราะฉนะนั้นเออวันนี้ไอ้ช้อนมันทําให้เราเกิดสตาสตาโอปาติกาก็แสดงว่าเพศไม่รู้ว่าช้อนเป็นเมียหรือผัวเออเป็นผู้หรือเมีย วันนี้จานมันทําให้เราเกิดสตาวาปาติกาเก้าอี้กับโต๊ะเขาก็แยกเป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นตัวอุดอตัวภาวะาปุริสิกาอุทีภาวะเหมือนกันเออวันนี้โต๊ะมันทําให้เราเกิดสตาวาปาติกาวันนี้เก้าอี้ทําให้เกิดก็คือแม่คือพ่ออย่างนี้เป็นต้น โอ้วันนี้มาคิดถึงแบบฝรั่งเศส ไ, ได้นะมันก็เลยแต่ก่อนนี้ยังไม่ได้ไม่เคยได้เอาละอาตมาไปมาแล้วอาตมาได้เวลาได้เวลาเพราะงั้นก็ไม่จบไม่ได้เพราะเขาจะต้องจบก็ข อ, อไม่ไม่ถึงขัน้นสตาวาัตะกาไปถึงแล้วที่จริงพูดถึงแล้วพ่อแม่ถึงสตาวาปตะกาแล้วจบแล้วนะเพราะงั้นก็ไม่ต่อความอะไรอีกก็ขอวันนี้ก็คงคิดว่าพวกเราคงจะได้ประโยชน์พบกัน เจาะลึกฝึกทาในวันเสาร์แต่ไม่แน่ถ้าไม่ได้ถ่ายทอดก็ไม่ได้นะถ้าถ่ายทอดก็ได้สำหรับวันนี้ก็เอวัง